พอาจารย์ครับ ก, ก, กล่าวในมักยมครับผมอเจริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะครับอาจารย์วันนี้ผมจัดรายการจากกรุงเทพครับอนนพอดีมีภารกิจมาอยู่ที่กรุงเทพครับสถานที่เลยแปลกๆนะครับก็มันก็เหมือนเดิมไอจอนมก็เหมือนเดิมก็ยุคนีเราอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่ที่เดียวใช่ครับระอาจารย์ อาจารย์ครับวันนี้ท่านอาจารย์ไปบีทบาทคนใส่บาทกี่คนนะครับวันนี้376คนวันนี้376 37 <6 S 1> คนครับผมกำลังดีนะครับอาจารย์ไม่เหนื่อยเกินไปก็โดยประมาณเาสาร์อาทิตย์ก็300กว่าครับวันพระเสาร์อาทิตย์วั น, าาวนพระนี่ก็300กว่าถ้าวันธรรมดาประมาณ200เสิครับผม พระอาจารย์ครับวันนี้เป็นรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่เก้าสิบเจ็ดแล้วครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องมีสติไม่หลงตายคืออย่างไรเพราะว่าโดยเป็นจริงเนี่ยผมเองประสบเรื่องนี้เยอะเลยครับพระอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ได้ยินคนพูดเท่าผู้แก่ก็จะบอกว่าเวลาจะตายเนี่ยให้กระซิบข้างหูหน่อยนะให้พูดโทให้นึกถึงบุญแล้วพอมาผมเป็นหมอผมก็เห็นภาพนี้จริงๆครับพระอาจารย์ว่าลูกหลานก็ไปกระซิบข้างเตียงคนไข้หนักๆ ก, ก, ก่อนตายหรือเขาเปิดธรรมะเปิด บทสวดมนต์ให้ฟังครับอาจารย์ก็เลยอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยอพอจะได้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับหรือว่าจะทําอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยระยะที่กําลังจะตายครับอาจารย์ครับกับขอความเมตตาครับคือการปฏิบัติที่ทํามันอยู่นี่มันปฏิบัติไม่ถูกนะครับเอาความจรงิงถ้าให้เราเตรียมตัวก่อนน่วงหน้าไว้ก่อนไม่ใช่มาทําตอนที่เรากําลังจะตาย ในกับการที่เราจะไปสอบเราก็ต้องทําการบ้านเตรียมตัวทําข้อสอบต่างๆไว้ก่อนซอมไว้ก่อนพอซอมแล้วเราก็จะได้ทําข้อสอบได้ไม่ใช่มาทําข้อสอบมาทำมาทําตอนที่นะเข้าห้องสอบนะเพื่อมาเปิดดูห้องสอบเขาก็ไม่ให้เปิดดูหนังสือแล้วใชครับใช่ไความตายนี่ก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งของชีวิตที่พวกเราทุกคนเจะต้องทํากันนี ถ้าเราอยากจะผ่านข้อสอบนี้เราก็ต้องเตรียมตัวก่อนฝึกก่อนท่านสอนให้ฝึกตายฝึกตายคำว่าไม่หลงตายก็คือคำว่าหลบก็คือไม่ให้ลืมคำว่าหลงก็มายจากคำว่าลืมเนียไม่หลงเลยไม่ให้ลงเรื่ความตายด้วยการให้หมันจเจริญอนานุนสติอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระเจ้าสรงสอนด้าน อ, อนนะครับต้อง ถามนอนวันนอนวันวั น, ว น, ว น, ว น, น, นวห น, น, น, น, น, <c oughs> นึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกเท่าไหร่กี่ครั้งนนอนก็บอกว่าผมก็สี่ห้าครั้งเช้าตรงวันเย็นก่อนนอนคุณชาบอกว่าเธอยังประมาทอยู่เธอยังไม่พร้อมที่จะทําำบทสวดนี้วิธีนี้ทําให้จธอไม่พร้อมก็คือเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลงหายใจเข้าหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย เราต้องพยายามเตือนใจเราไม่ให้ลืมเราวให้เราฝึกวิธีตายหัดตายก่อนตายเวลาคนตายทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมต้องทำยันเวลาก่อนที่เราตายแล้วไม่องหัดอยู่แบบคนตายอยู่แบบไม่ไม่ต้องการอะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากมีอกเป็นไม่อยากได้อะไรเพราะถ้ามีแล้วเวลาต้องจากกันก็จะทุกข์ ถ้าไม่มีวเวลาจากกันมันก็จะไม่ถูกเ <Okay. S 1> ยันก็สอนให้เราปล่อยวางฝึกปล่อยวางให้เราพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเปไม่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงทุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่ที่เราเอมาใช้ทํางานาต่างๆให้กับเราเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวมันถึงร่างกายก็ต้อง สิ้นสุดลงแต่เรานี่ไม่มีวันสิ้นสุดเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันตายแต่จะต้องมีวันที่จะต้องจากร่างกายนี้ยังถ้าเรารู้เรื่องเวลาเราที้ฝึกซ้อมสอนใจ เ, เรื่อพอถึงเวลาตายเราก็จะตายแบบเฉยๆเราเรารู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรเราไม่ได้เป็นร่างกายส่วนที่มันตายมันไม่ได้เป็นเราแล้วส่วนที่ตายมันก็รู้ว่ามันตาย ร่างกายนี้ในตัวมันเองมันไม่มีการรับรู้ว่ามันมันเป็นนี้อ ย, อยู่มันมันตายหรือเป็นเราไ ม, ม่มันไม่รู้ผู้รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายแต่ผู้รู้นี้รู้ว่าร่างกายจะตายแต่ผู้รู้ไม่ผู้รู้ไม่มีปัญญาไปหลองคิดว่าตัวเองเป็นร่างกา ย, ยนั่นคือปัญหาเพราะฉั <Okay. S 1> ้นเราต้องมาแก้ปัญหาตัวนี้คือคอยมาสอนสอนใจเตือนใ จ, นใ จ, นใจว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน เราเป็นายร่างกายเป็นบ่าวเราเป็นผู้คอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรตนะ่างๆตามความอยากของเราดังนั้นเวลาที่ร่างกายจะตายที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรายังอยากจะใช้ร่างกายทําทําหน้าที่ให้กับเราอยู่ตอบสนองความอยากของเราพอเขาไม่สามารถทําหน้าที่ได้เราก็ทุกข์เราก็เดือดร้อน ถ้าเราไม่มีร่างกายพาเราไปเที่ยวพาไปกินไปเดินพาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรใช่ไหมเราก็คิดว่าเราแต่ถ้าเรามาฝึกทำจิตกรรมวนามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากทางที่จะใช้ร่างกายหาความสุขเราก็ใช้การปฏิบัติสติปัญญาเป็นการหาความสุขเมื่อทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วเราก็จะมีความสุขจากการปฏิบัติสติปฏิบัติปัญญา พอเรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วนีร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ไม่เดื่อยนอนเนี่ยปัญหาเราอยู่ตรงที่ว่าเรายังไปพึ่งร่างกายอยู่ตอนนี้แล้วพอถ้าเราพึ่งร่างกายไม่ได้เราก็เดื่อย้อนเราก็ทุกข์กันแต่ยังไม่พอพอร่างกายตายไปแล้วเราก็ยังไม่เข็ดเราก็ยังต้องไปหาร่างกายอะไรมารับใช้เราอีกครั้งหนึ่งให้รอบ เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เราไม่เปลี่ยนวิธีหาความสุขอยากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขไปปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนา <Okay. S 1> ถ้าเราทำได้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายเราก็ไม่เหนือ่อยอน เหมอนกับถ้าคุณหมอไม่ไม่ไปไหนแล้วไม่ออกจากบ้านไแล้วอยู่ในบ้านที่มีครบครบริบูรณทุกอย่างต้องการอะไรก็มีหมดไม่ต้องออกไปหาของข้างนอกอยากกินหนมฟังเพลงอยากจะเล่นเกมอยากจะพบปะเพื่อนฝูงอะไรมีอยู่ในบ้านของคุณหมอหมดไม่มีความจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านแล้วรถยนต์ที่คุณหมอมีอยู่ก็ไม่มีความสาคัญอะไรมันจะเสียไม่เสียมันจะถูกขโมยไฟนึ่องอะไรมันไม่เดือดร้อนเพราะเราใช้รถยนต์ ไม่ได้ออกไปเอาเอานอกบ้านะนะเราใจของเราคือบ้านของเราแต่บ้านของเรานี่ไม่มีอะไรให้เรามีความสุขเลยเราเลยต้ออกไปหาความสุขภายนอกใจไปหาความสุขจากเสียงกลิก่นนวดไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้โดยทําให้เราอยู่บ้านไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้เพราะอยู่ในบ้านเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาสร้างความสุข ในบ้านเราให้เกิดขึ้นความสุขที่เลิ่อนกับความสุขทั้งบวกถ้าได้ความความสุขอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านได้นี่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งบวกเมื่อเราได้ความสุขที่ดีกว่าเลิกก่กว่าความสุขภายนอกบ้านเราจะออกไปหาของนอกบ้านทำไมในเมื่อของในบ้านมันดีกว่าออกไปนอกบ้านก็เหนื่อยใช่ไหมต้องขับรถต้องไป จองที่อยู่อาศัยที่พักที่อะไรที่กินที่อะไรที่ดูที่ฟังใช่ครับถ้าเรามีความสุขที่ดีกาเราไปทําไมอยู่ในบ้านเรากาสบายนั่นแหละคือความสุขของพระอรหันต์ทั้งหลายนท่านมีความสุขเต็มเปี่ยมในในใจของท่านซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากภายนอกใจความสุขที่เหนือกว่า ความสุขที่ได้จากน้ำลดสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรดความสุขที่ได้จากรูปประชานหรืออรูปประชานสู้ความสุขที่ได้จากพันธิพาดไม่ได้เ <Okay. S 1> มื่อได้ความสุขอันนี้แล้วก็ไม่เดือดร้อนครับว่าเป็นความตายของร่างกายร่างกายตายไปก็ไม่ไปหาร่างกาย <Okay. S 1> อีกเพรามารู้จะมาทำอะไรเอามาเป็นพลังมาทำ เหมอถ้าหมอไม่ใช้นอต์นะหมอคงไม่ไม่ซื้อนอตยนคันใหม่แล้วคันเก่าพังก็ปล่อยมันพงไปครับเขไม่ไปไหนแล้ว น, ะนั่นแหละก็คือเรื่องของจิตใจของพวเราทุกคนตอนนี้เรากลัวตายกันเพราะว่าเราต้องพึ่งร่างกายอยากให้ร่างกายไม่ตายาก็เลยทําให้เราทุกความอยากไม่ตายเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราทุกแต่ถ้าเราตัดความอยากไม่ให้ไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุก จัดได้แล้วก็ต้องไม่เครื่อ ง, งร่างกายเมื่อเราไม่เครื่องร่างกายเราก็จะไม่มีความอยากตายและอย่ากอยู่แล้วก็เฉยๆกับร่างกายร่างกายจะอยู่ร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนครับผมต้องปัญหาการตายการบ้านมันเยอะนะไม่ใช่จะมาทําตอนที่ตอนที่ใกล้ตายตอนใกล้ตายคนจะตายไม่มีสติแล้วพอที่จะไปทําอะไรได้นะเพนนั้น ไม่หลงก็กลัวจนกระทั่งเสียสติขาดสติไปครับต้องฝึกกันตั้งแต่บันดนี้อย่างน้อยก็ฝึกให้รู้จักทำใจให้สงบให้ได้ก่อนถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้เลปัญญาก็ขอให้เราฝึกจัใจให้สงบเพื่อเวลาที่เราตายเราจะได้จะอาศัยภาพสงบนี้ให้เราตายอย่างสงบไม่ทุกข์ทรมาน อาจารย์ครับบางทีผมก็เห็นคนก็มาได้ปัญญาตอนป่วยเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์พราะป่วยปั๊บบาคนก็มารู้ท่าตอนป่วยเี่ยเพราะมันไม่มีทางเลือกเลยเมื่อก่อนมีทางเลือกไปหาวิธีหาหาวิธีหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยไม่ขึ้นึงทำแต่พอมันจนตจบมันมีทางเดียวถึงทำทำให้ก็เหมือนซากศพที่ลอยมาในน้าคนชราวัยหน้าไม่เป็นนี่เจอซากศพแล้วก็กอดไว้ก่อนเกอะไว้ก่อน แต่ธรรมดาเราจะไม่เข้าหาซากศพกันใช่ไหมถ้าเราไม่จนเจอะจริงถ้าเราถ้าเราไม่ตองน้าเราไม่จะเราจะไม่กระโจออกไปหาซากศพ ม, มาเกาอธรรมะก็เหมือนซากศพที่พวกเราไม่ค่อยชอบกันไม่อยากได้กันแต่เมื่อมันจนเจาะมันไม่มีอย่างอื่นให้ให้เพิ่งแล้วมันมีอย่างเดียวว่าคือธรรมะครับผมก็เลยต้องพึ่งธรรมะเพึ่งสติพึ่ ง, ตตพงปัญญา ที่พระพุทธเจ้าโปรดพระราชบิดาที่ไปโปรดเผมาะรู้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรพึ่งได้แล้วนอกจากธรรมะก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ไปโปรดเทศองไรก็ไม่ฟังไม่สนใจยังติดอยู่กับราภยสและเสริญติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไก่แต่เพราะร่างกายนี้ป่วยจะตายภายในเจ็ดวันนี่พึ่งอะไรไม่ได้แล้วนอกจากธรรมะบอกว่าเจ้าอาธรรมะยืนไปก็ความรับแเล ทา mm hmm. ใจให้สงบปลนะ่อยว่างร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปอยากให้มันไม่ตายอันก็ทําได้พอทําได้ก็บรรลุฐานไปเจ็บปันก่อนตายอย่างนี้ถ้ามองดีๆก่อนการเจ็บการป่วยการความทุกข์ก็กลายเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับอา่ารย์ก็น่นาแล้ถ้าทุกข์ก็มีบาลมีปัญญาบอกเกิดเขาบอกทุกข์ไม่มีปัญญาก็ไม่เดิน พอมีความทุกข์แล้วแล้วไม่มีทางออกไม่ยังไม่มีอย่างอื่นมาดับความทุกข์ได้ก็ต้องใช้ปัญญาเลยในการมาดับความทุกข์ปัญญาลบสมาธิไงปัญญาลมจิตให้สงบให้ปล่อยวางครับผมวันนี้ได้ได้คําตอบชัดเจนแล้วครับว่าต้องต้องฝึกก่อนที่จะไปตายลุงตั้งครัอย่าลืมความตายกครับลุงตั้นใ ห, ให้ให้ลืมจําโจทย์ไว้ให้แม่นว่านี่คือข้อโจทย์ S <S ข้อสอบของเราคือความตายแล้วเวลาเราจะตายเราทํำย like ังไงก็ต้องทําใจให้สงบด้วยสติด้วยด้วยปัญญาถ้าเรายังทําใจเพียงแต่คิดแล้วใจเรายังวุ่นเลยก็แสดงว่าเราต้องรีบไปทําการบ้านนะครัไในปัญญานะครับอาจารย์กลับพรับคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะอย่าอย่ามารอกระซิบกันมาบอกว่าให้ทําะไรตอนใกล้ตาย ถรามาแล้วท่านบอกเวลาท่านจะตายนี่ใครครอยากไปแตะตัวท่านอยาใครอยากมนกระซิบข้างหูว่าให้ทํำนี่ทำนี่โอตรงข้ามกับคนอื่นตรงข้ามกับผู้ชุนเลยครับท่านทํามาก่อนแล้วท่านรู้วิธีทุกอย่างแล้วไม่ต้องใครมาไม่ต้องโคดไม่ต้องมาคอยตะโกนข้างเวทีเวลาขึ้นเวทีแล้วนี่พร้อมแล้วพร้อมที่จะสู้กับแชมป์ละพร้อมกู้ต่อสู้ชิงแชมป์นะครับ เาะท่านฝึกมาอยากชคช่วนนะท่านผ่านเรื่องความเป็นความตายมาจ้วยโชคชวนนะครับผมขอ บ, บคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้าง น, นะครับคุณมาสเตอร์พีซครับนัมรสการพระอาจารย์การคิดแบบโยนิโสมนัิการจะได้ปัญญาใช่ไหมคะถ้าการคิดแบบโยนิโสมนัิการทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้ว การเห็นแบบสมาทิฏฐิมันก็คือการเห็นที่ทําให้เกิดปัญญาหนูเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับคือการคิดยนโยนิเสวะคิดแบบรอบข้อคิดโดยหลักเหตุหลักผลด้วยเหตุด้วยผลนั่นเองเรียกว่ายนิเสวะวัตสิกะคิดคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุ น, นี้เช่นทุกเกิดขึ้นเพราะความอยากวิธีจะดับความทุกข์ก็ต้องละเหตุละความอยากและเหตุที่ทําให้ความอยากละได้ก็คือ มัก็คือสติปัญญาสิ่งสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือความคิดที่เรียกว่าเป็นสมาธิสมาสังกโปไม่ใช่สมาธิทิสมาส่วนสมาธิทินี่ก็เป็นความเห็นซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากความคิดของเราก็ได้สมาธิทิอาจจะเกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมนี้ก็ได้สมาธิทิพระเจ้าบอกว่าทุกในพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสให้กับพวกเราอันนี้แหละคือสมาธิทิ ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่รู้เรื่องอ ร, ริยสัจสี่เราจะไม่รู้ว่าทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเราจะไม่รู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายของเราเกิดจากความอยากของเราในการที่จะยุติความทุกข์ยุติการเกิดแก่เจ็บตายของเราเราต้องใช้ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเครื่องสกัดหยุดความอยากดับความทุกข์ นี่แหละคือสัมมาทิฏฐิซึ่งเราต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาเป็นคนบอกสมาทิฏิถ้าไม่มีพระทเจ้าก็จะไม่มีใครรู้เรื่องอริยสัจสีเมื่อไม่มีใครรู้เรื่องอริยสัจสี่ก็จะไม่มีความสามารถที่จะนํำมาไปใช้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจได้ยังสมาธิฏฐิมันเป็นที่ที่จะทําให้เกิดสมาสังกรปรตามาเมื่อเรามีความเห็นว่าทุกเกิดจาก จากความอยากเราก็ต้องคิดเรื่องต่อไปนี้เราต้องพยายามละความอยากให้ได้เนะครื่องมือที่จะใช้ในการละความอยากก็คือสีสมาธิปัญญาเราก็ตวรวจสอบดูเรามีสีไหมเรามีสมาธิมีปัญญาไหมไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปโป่คิดแบบยนิโธเรียกว่าปัญญาคือทั้งมั น, มนเป็นปัญญาทักสองอันนะพูดคำเคิดคิดไปในทาง ตามความเป็นจริงมันก็เป็นปัญญามีความเห็นตามความเป็นจริงมันก็เป็นปัญญาส่วนใหญ่สมาธิถือกับสมาสังกปูมันจะทํางานคู่กัน <Okay. S 1> คุณกันประพรกันประพนครับสมัยนี้มีแก๊งโกงเงินเยอะเกลื่อนเมืองไปหมดบางคนถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัวขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับที่มีแก๊งโ ก, ง, กงคนได้ก็เพราะมีคนโง่งเยอะไม่ใช่อะไรหรอก ถ้ามีคนฉลาดมันก็คนคนมันก็ปัญญามาหลอกลวงไม่ได้สมัยนี้คนไม่มีปัญญากันคนมีความหลงกันเยอะพอเขาเอาเหยื่มาเล่าหน่อยก็ความมากเลยมันเป็นไปได้ที่ไหนยอยู่ดีเขาจะเอาเงินมาให้เราฟรีๆไม่มีหรอกแค่นี้ไม่คิดแค่นี้ก็คิดไม่เป็นนะหลงนะโอยแล้ว อ, อยู่ดีๆเรา่ะถ้าเขาจะให้เงินเร า, เราจะเราทำไมต้องเอาเงินไปให้เขาด้วยตากาลที่สอง ตอนต้นเขามาบอกว่าคุณอยากได้หไหมทําอย่างนี้สิคุณเอาเงินมาให้ฉันสิแล้วฉันจะผลิตผลิตเงินี้ให้กับคุณเป็นหลายสิบเท่าเนี่ยมันนี่ก็งโง่แล้วอยู่ดีๆเขาก็มาป้นเอาเงินจากเราแบบที่แล้วเขาไม่ต้องใช้ปืนเลยเพียงแต่ใช้ใช้ความโลปของเราเนี่เป็นเป็นตัวจัดการกับเราเองพอเราโลูกอยากจะได้เงินฉะนั้นอ้าเขาก็บอกเอาเงนินเงินมาเทา่าไรเราจะได้กลับคืนไปสิบเท่าอย่างเงี้ย แล้วเขาก็มีการหลอกหลอกลงแล้ําเงินที่เราให้มาบอกนี่แล้วก็คืนมาครึ่งหนึ่งเราบอกนี่แหละผลที่เราไปลงทุนได้มาแล้วครึ่งหนึ่งนะเอามาใช่ไหมใช่คนไม่คิดกันแค่นี้ถ้าหากันแบบนี้ได้ก็รวยกันไปหมดนะธนาคารก็ทำนี้ธนาคารเขาก็ทํำนี้กันก่อนนะใครยังเก็บมาพูดนักธนาคารมาถามจริงๆเรื่องการหานงินหาเท่าครับ <laughs> แต่มันเป็นทำไไม่ได้เนี่ยที่มีแก้งเยอะก็เพอคนโง่มันเยอะพูดง่ายๆมันจะพูดยังไงก็หพยายามฉลาดโบราณท่า น, นบอกปวาโลมนำไปสู่โลภมากมรามมากห า, ายเพราะฉะนั้นใครเวลาใครก็อ่อยเยมานี่ให้รวะวังอยู่ดีๆเขาจะมาบอกว่าเขาเขาจะเอาเงินมาให้เราเนี่ยแสดงว่าก็หลอก แต่เขาต้องบอกเขาได้บอเอ า, เอา เ, อาเอาเงินเราพูดจะได้เอามาให้เรากลับคืนมาเยอะกว่า น, นี้เอาเงนไ ป, ปนลงทุนทำอย่างวุ่างนี้คุณมนตรีครับอยากถามว่าในยุคนี้มีคนบรรลุธรรมมากไหมคะบรรลุระดับไหนดูจากอะไรครับมันไม่มีการทำสตินะสิ้นเลยรู้สึกน้อยมาก เพราะว่าคนที่บรรลุธรรมที่เราได้ยินได้ฟังก็คือพวกพระป่าคูบาอาจารย์รต่างๆในสายหลวงปู่มั่นนี่เท่นั้ที่ที่มีการบรรลุธรรมเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาท่านตายไปจะกระดูก ข, ของท่านกลายเป็นมัาธาเช่นะดียนั่นนั้นก็ไม่มีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องการที่ตายไปแล้วกระดูกกลายเป็นวัาธาเชันมีแต่ทางสายหลวงปู่มันนะ่นเท่านั้นเอง แล้วก็มีไม่มากลูกด้วยไม่ใช่ว่าทุกรูปที่เป็นลูกเสียนุสาย ล, าลูกปู่ม่านจะบรรู้ธรันทั้งหมดกไม็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั้นก็คิดว่าน้อยมากเหมือนคำโบราณที่เปรียบเทียบว่าคนฉลาดเหมือนเขาวควายคนง่เหมือนขนงูขนควายควายตัวหนึ่งยัมีขนเยอะแยะเต็มไปหมดนะแต่มีเขาแค่สองอันนั่นเ อาจารย์ครับพี่สมพรรายงานบอกว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาตพระอาจารย์จะไปปฏิบัติถือศีลแปดที่วิญญาหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้เลยไม่มีคําถามครับ <c oughs> ก้าวไปข้างหน้านะคุณสมพรเรีนศึกษามานานนะความดีเลยาระโจนลงน้ำเลยชอบความดีไปถากไหว้เลยดีคอันุโมทนาด้วย คุณเมตตาครับสอบถามครับการบริจาคเลือดถือเป็นการเบียดเบียนตัวเองไหมคะถ้ามีอาการหน้ามืดหลังบริจาคจะบาปไหมครับตั้งใจจะบริจาคทุกสามเดือนครับคือการทำอะไรก็ต้องไม่ทาให้เกิดโอยกับตัวเองถ้าเกิดททษกับตัวเองก็แสดงว่าไม่ฉลาอาจจะไม่บาปแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องรักษาร่างกายของเราให้มันหยิบเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปทา คุณทำประโยชน์ต่างๆต่อไปการที่เราจะบริจาคอวัยวะเช่นเลือดหรืออะไรสักอย่างอย่างนี้ถ้าทําแล้วเรายังสามารถดํำรงชีวิตอยู่ตามปกติได้ก็ถือว่าก็ทําได้ที่บางคนก็อา จ, จะบริจาคายให้กับพี่กับน้องหรือกับพ่อกับแม่ในกรณีที่พ่อตายวายอะไรทำนองนีน้แล้วลูกมีายที่เลือดหนึงอยู่กลุ่เดียวกันสามารถ รับใช้กันได้ก็ลูกก็อาจจะคิดตอบแทนของคุณพ่อแม่ก็บริจาคตายจะข้างหนึ่งอันนี้ก็ทำได้ถ้าตามใจคนที่บริจาคอวัยวะยังสามารถดำเนินชีวิตเป็นตามเป็นปกติได้ถ้าบริจาคไปแล้วทำให้ตัวเองนี่เป็นปนัญหาขึ้นมาอยู่แบบไม่ไม่สมบูรณ์นี่ก็ไม่ควรที่จะทำ คุณอีฟครับการติดคุยแชทเป็นกิเลสไหมเจ้าคะถ้าเป็นกิเลสจะมีวิธีเลิกคุยกับคนที่ทักมาคุยกับเราได้อย่างไรเจ้าคะก็ปิดแชทไปเลยไปใช้อะไปดูมันปิดโปรแกรมนั้นถอนแอปนั้นออกจากออกจากเครื่องไปเลยอ n นสตอลกดที่ตัวไอคอนแล้วก็กดช่ไว้แล้วมันจะเป็นคำว่าอ n นสตอขึ้นมาก็คลิกอ n นสตอลหายว่าไปหมดเลย ครับเหงาเลยนะครับอาจารเมื่อก่อนที่นี้ก็อยู่กันได้เนี่ยั็ส์มติมถือนี่มันเพิ่งมีมาไม่แค่สิบกว่าปีนี่สิบปีนี้เมื่อก่อนทีนี้เราก็อยู่กันได้อย่างสบายไม่ไม่ต้องแห็นชัดเชิดอะไรกันเลยก็ใช้อีเมลกันมาก่อนเมื่อก่อนนี่ก็ใช้อีเมลกันได้ครับใช้เพื่อธุรกิจเีย ใ, ใช้เพื่อประโยชน์อย่าไปใช้เพื่อเรื่องไร้สาระอินทาการเลย มันก็เป็นเหมือนกับการพูดเพ้อเจือนนั่นเองแต่ใช้ใช้ใช้การพิมพ์แทนที่จะใช้วาจาก็พิมพ์เรื่องเละเทะเรื่องเพ้เจืทั้งหลายตอบโตไ้ไปไปนะนั่นเองเสียเวลาปรปล่เอาเวลาไปทำมา ก, กินเรื่องเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าได้ประโยชน์มากกว่าคุณออกเก้าครับเวลาต้องจากที่ยากที่สุดคือการจากลาลูกยังทำใจไม่ได้สักทีคะ่ะ ต้องซ้อมคิดบ่อยๆคิดแบ่อยๆวันๆต้องมีการพัฒนาก่างกันหน้าวิธีที่จะทําให้นำได้ก็ลองหาหาโอกาสแยกกันอยู่สมงลูกไปเรียนโรงเรียนกินนอนมากเนื้อเราไปทํางานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมากไงอยอะไรไม่ได้อยู่กล้ชิดกันการอยู่กล้ชิดกันมันยิ่งทําให้ยึดติดกันแต่พออยู่หางเหิอหนออกจากกันไปสัระยะไม่เห็นหน้เห็นตากันใจมันก็ปรปับ เข้ากับสภาพใหม่ได้คุณจอยส์ครับคำว่าหลงตายมีนัยยะอย่างไรครับก็ลืมตายเนี่ยลืมตายลืมว่าเราจะต้องตายกันพอเวลาตายเราก็เลยวุ่นวายใจไม่รู้จะทำยังไงเนียไม่รู้มันเป็นบทละครที่เราจะต้องแม่นกัน ถ้าเราไม่ซ้อมเล่นบทนี้พอถึงเวลาขึ้นเวทีเราเล่นไม่ถูกให้เล่ น, ลนยันยงไงวะบทนีเ้เราก็ต้องซ้อมก่อนวิธีเล่นบทตายก็ต้องนอนนิ่งๆทำใจให้นิ่งๆทำใจให้สงบใจจะสงบได้ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึก ป, ปัญญาคุณปราณีครับ บอกว่านานมาแล้วเคยมีประสบการณ์หมดสติในลิฟต์เหมือนวู้ไปแต่ก่อนจะหมดสติยังมีสติเอาหลังไปพิงผนังลิฟต์ก่อนที่จะล้มลงอย่างนี้แสดงว่าเราฝึกสติมาถูกทางไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อแค่แค่แค่แป๊บเดียวแล้วนี่คุณม a สเตอร์พีสครับบอกว่าพระอาจารย์ค้าหนูเคยกินข้าวแล้วมันติดคอ ตอนนั้นหนูรู้ตัวทุกอย่างในหัวมันก็คิดพิจารณาวิธีที่จะหายอาการติดคอตอนนั้นหายใจก็ไม่ได้เพราะมันจะสำลักแน่ๆน้ำก็ไม่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วเราอยู่ต่างประเทศคนเดียวตอนนั้นมันก็คิดขึ้นมาว่าเราจะตายแล้วมองไปรอบห้องก็่วงๆว่าตายไปนี่กว่าคนจะรู้เรื่องแต่โชคดีที่อยู่ๆมันก็กลืนลงไปได้จากนั้นมากินข้าวนี่มันนึกถึงเรื่องนั้นแทบทุกครั้ง ก็ช่วยดึงสติหนูขึ้นมาอีกทิหงอย่างนี้มันยังสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะเพราะมันยังมีหวงตอนจะตายครับถ้ายังใจนม่ไม่ไม่นิ่งมันก็ยังแสดงว่ามันยังทุกข์อยู่มันยังกลัวตายอยู่มันต้องไม่กลัวตายมันต้องนิ่งต้องใจ คุณแคทครับลูกไม่ได้กลัวตายแต่ว่ากลัวอายุยืนเกินไปและเงินที่เก็บไว้หลังเกษียณไม่พอใช้ให้ทําใจอย่างไรจะได้ไม่กังวลใจเรื่องนี้ครับไม่กลัวตายแต่กล qui ัว <dan> ก <I S 2> ็อาจจะอยู <ten> ่แบบอยู่แบบมักน้อยสันโดษยืนดีตามมีตางเกิดไปอย่าอยู่แบบฟุ้งเฟออย่าอยู่แบบฟุ้งเฟ้ก็อาจจะยืดเงินที่เรามีอยู่ให้ใช้ได้เป็นนานขึ้น อยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็แล้วก็อย่าไปกังวลมากเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนบางทีอาจะตายก่อนที่เงินจะหมดก็ได้ถ้าอยู่แบบมากน้อยสันย้นสุดมันก็ไม่ต้องใช้เงินมากบ้านเราก็มีอยู่แล้วถ้ามากเราก็เสียแค่ข้าววัาานละเมื้อท่านั้นก็อยู่ได้หัดกินข้าววันละเมื้ออยู่แบบนักปฏิบัติ คุณหลินครับหนูผ่าสมองใส่อุปกรณ์มาหนูก็เลยออกตามหาพระอาจารย์องค์ไหนจะเข้าใจหนูได้บ้างเลยมาเจอพระอาจารย์หนูดีใจมากในใจหนูบอกว่าต้องเป็นให้สุดๆเจ้าค่ะมันไม่ทุกตามที่คนภายนอกเห็นหนูเหมือนปีนเขาไปปักธงเลยค่ะปัจจุบันไปทำงานจนลืมว่ามีอุปกรณ์ในสมองเจ้าค่ะคนอื่นจะกลัวว่าหนูจะชักแต่ปัจจุบันไม่ทานยาอะไรเลยเจ้าค่ะดีมากแสดงว่ามีสติดีนะคอบคุม ได้คุณสายสายธมาครับกับพระอาจารย์ครับเราจะเริ่มฝึกปัญญาต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับก็ฝึกที่พระเจ้าสรารเม่นเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดทาจากการเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้บ่อยๆวันละหลายรอบ นการทุกปัญญาเริ่มตอนที่ทีตรงนี้นก่อนครับคุณมาริสาครับการเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการโกงความตายหรือหาวิธียืดอายุต่ออายุทําแล้วได้ผลจริงหรือเปล่าคะก็เรื่องของอายุถ้าเรารู้จักวิธีแล้วก็ยืดมันได้รู้จักวิธีรักษามันดูแลมันเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็ แล้วก็ยืดมันไม่ได้เพราะวิธีเราอยู่เราไปไปไปลดตันไม่ได้ไปยืดมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราการกินการอยู่ของเราเนี่ยเรากินอะไรเราบรนโภคอะไรเราชอบสูบบุหรี่ชอบกินเหล้าหรือปล่าชอบเที่ยวดึกๆึก น, นอนไม่พอไม่ออกกําลังกายหรือเปล่าชอบกินของมันมันหวานหเข็มเค็มหรื อ, ปอเปล่าพฤติกรรมเหล่า น, นีนะ้เป็นตัวที่จะสั่นให้อายุของเราสั้นลง เมื่อเราไม่ใช้พฤติกรรมอย่างนี้เราก็ยืดยือดอายุของเราได้นั่นที่พูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าพูดถึงตามหลักอะไรตามหลักโหราศาสตร์หรือหลักสยสาศาสตร์ที่เราไม่รู้นะนะครับผมการรักษาพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงนี้ก็อย่างที่พ อ, อาจารย์บอกก็ไม่ใช่กิเลสอะไรนะครับอาจารย์ไม่ใช่ก็เป็นปัญญาเป็การใช้เหตุใช่ผลในเมื่อเราเป็นของดีเราก็ต้องรักษามันให้อยู่ไป น, นาน เือเราจะได้นํามาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดครับคุณสีรินครับทุกๆวันนี้ลูกพร้อมตายค่ะไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานเจ้าค่ะและจะสั่งลูกไว้ล่วงหน้าว่าถ้าแม่ไม่สบายป่วยอาการหนักลูกไม่ต้องให้คุณหมอช่วยปั๊มและให้ออกซิเจนปล่อยให้แม่ตายตามธรรมชาติไปแบบนี้ลูกของลูกไม่บาปนะเจ้าคะไม่บาปหรอเป็นการทไมไยพุทธการก็ไม่มีหมอไม่มีเครื่องออกซิเจนไม่มีอะไร เราก็อยู่มันไปตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปนคุณบัญชาครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือไม่เคยเฝ้าแม่ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจนสิ้นลมเมื่อเดือนที่แล้วครับเราต้องมีอภิญญามันต้องฝึกสมาธิจนเรามีอภิญญาสามารถตามบาตรจิตของผู้กันได้จิตตรงนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้ ดอวาระจิตของแต่ละคนแม่ขนาดแม่ตายไปต้องหลายปีแล้วท่านยังค้นหาเจอเลยว่าอยู่ในสวรรค์ติดต่อสรงกระแจิตไปติดต่อกับพุทธมารดาแล้วก็โปรดแสดงธรรมตลอดหนึ่งพันษาจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระสวดาบันขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีอภิญญาไม่มีไม่มีตาที่ผูกทิพแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่ตายไปแล้วนั้นไปสู่ภพใดภูมิ เราอาจจะประมาณได้จากพฤติกรรมที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเขาทําบุญกับทําบาปอันไหนเขาทามากกว่ากันถ้าทําบาปมากกว่ากันก็ค่อยเขาคงจะไปอวบายมากกว่าไปสุสวรรค์หรือสุกติแต่ถ้าเขาไม่ค่อยทําบาปแล้วมีแต่ทาบุญเป็นเป็นประจานี้ก็เชื่อนะว่าเขาจะต้องไปสุกติมากกว่าไปทุกข์ี้คุณป้องครับ ผมกำหนดจิตเกี่ยวกับความตายแล้วการภาวนาก้าวหน้าดีครับก็ดีอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นการการปฏิบัติท่านอย่างนี้ว่อเมื่อเราเราจะตายเราจะได้ไม่ไม่ปล่อยเวลาในค่านี้ให้สูญเปล่าไปกับกา ร, ราการกระทําที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเอาเวลามาภาวนาดีกว่าพอเราเอามีเวลาให้กับการภาวนามากขึ้นการภาวนามาันมันจะก้าวหน้าขึ้นไป คุณอุไรารายงานกันครับออขอบคุณที่มีธรรมะให้ฟังทุกอาทิตย์ตั้งแต่ติดตามพระอาจารย์มาใจสงบใจเย็นมากขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับรบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับสาธุสาธุคุณพรพันธ์ครับถ้าทุกเกิดขึ้นเพราะกลัวโรคร้ายในกายจะทําอย่างไรเจ้าคะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่วิะเจ้าสรนให้เราคิดอยู่เรื่อเตรียมตัวไว้ก่อน เราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาโรคพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ถ้าเรายอมรับความความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เราจะไม่ทุกข์ที่ทุกขพรเราไม่ยอมรับเราไม่อยากป่วยเราไม่อยากเจ็บหรือเราเป็นเร า, ร อ, เราอยากจะหายไอ้ตัวนี้ต่าหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราคือตัวความอยากอต่เมื่อเรามองด้วยความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นพวกเราจะหายปั๊บทันที ก็เปลี่ยนไปไมได้บางทีมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะหายบางทีก็ไม่หายเนี่ยเราต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็รักษาไปท่าที่เราจะรักษาได้ทําไปท้าที่เราจะทําได้แต่มันถ้ามันจะไม่หายก็ต้องไปยอมรับถ้ามันจะเจ็บจะตรงนั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องยอมรับถ้าเรายอมรับมันเราก็จะไม่ทูกกับ คุณก้อยครับนั่งสมาธิแล้วหลับตารู้สึกปวดหัวแต่ฟังธรรมะแล้วดูลมรู้สึกว่า น, นิ่งกว่าปฏิบัติแบบไหนดีเจ้าคะก็แสดงว่าตอนที้เรานั่งสมาธินี้สติเรายังมีกำลังไม่มากผมสู้กำลังของกิเลสก็ได้กิเลสที่ยังอยากจะลืมตาอยากจะเห็นดู่นเห็นนี่อยู่มันก็เลยเกิดสร้างอาการปวดหัวให้กับให้กับเราได้แต่ถ้าวมาเราทำธรรมแล้วเราดูลมเราลืมตาอย่างนี้ เรามีอะไรทํามันก็ทําให้เราเพิอกับการที่เราทำเราก็เลยนั่งได้จิตก็รู้สึกนิ่งได้แต่มันจะไม่นิ่งแบบนึกถ้าอยากจะนิ่งแบบนึกนี้หลังจากที่เราทำทำเสร็จแล้วเราคิด ว, ว่าจิตเรานิ่งดีเราลองหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจต่อตอนนั้นอาจจะไม่ปวดหัวแล้วก็ได้เพราะเรามีสติมากขึ้นจิตมันสงบมากขึ้น การต่อต้านของกิเลสความอยากมานน้อยลงก็อาจจะทำให้เรานั่งต่อได้งนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเสร็จแล้วอยาพึ่งเลืก้กเรานั่งดูราหายใจต่อเองดูซิว่าจะนั่งได้ไหมครับคุณแต้มสีครับคุณพ่อดิฉันทำอาชีพเก็บหวยใต้ดินส่งให้เจ้ามือถือว่าผิดศีลห้าไหมครับก็เป็นการประดาลเนี่เป็นอาชีพที่อาจจะไม่เป็นสมมาชีพ เพราะว่าเป็นชีพที่อาจจะที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับคนที่ที่เราทำได้คือคนเล่นโดยอาจจะเจ๊งแล้วก็อาจจะล้มละลายได้คุณอ๋อเ ก, ก้าครับเราต้องทำใจกับความตายที่ต้องจากลูกอย่างไรคะแค่คิดน้ำตา ก, ก็ไหลแล้วคะ่ะก็าทำใจให้สงบยพยายามฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆทำใจให้นิ่ง ถจาใจเราดิงแล้วเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจใจเราจะยอมรับความจริงได้คุณอีฟครับการต้องทำงานทําให้ต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆทำให้เข้าสมาธิได้ยากต้องทำอย่างไรคะคครก็ต้องอย่าทำงานเลยก็วันช่วงที่เราไม่ทำงานเราค่อยไปทำสมาธิาวันเสาร์อาทิตย์ทนนี่ไปเที่ยวไ ป, ไปช้อปปิง้งไป อะไรเราก็ไปไปอยู่วัดสักสองวันแทนไปปฏิบัติแทนเราต้องเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ทํำทำแล้วก็อยากจะได้ทางโลกเราก็อยากจะได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้ความสุขทางโลกเราก็ไปปฏิบัติทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้ความสุข ท, งทางธรรมเราก็ต้องสละความสุขทางโน้นชาวที่แทนนี้เคยไปเที่ยวที่นั่ทท น, นที่นี่เราก็ไปอยู่วัดแทนไปปฏิบัติธรรมที่วัดแทน BMW คุณสิริพรครับก่อนสวดมนต์ก่อนนอนกําหนดลมหายใจเข้าออกปฏิบัติถูกไหมครับสวดมนต์ก่อนนอนกําหนดหายใจเข้าออกก็ควรจะกําหนดก่อนตั้งแต่ควรจะกําหนดทั้งวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเพื่ตอตอนที่จะมาเริ่มต้นสวดมนต์นั่นเองเราเล่าฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่เปิดตาขึ้นมาให้มีสติอยู่กับร่างกาย จะอยู่กับลามาหายใจก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือจะอยู่กับคําบริกรรมพุทโธก็ได้ทาเท่าที่เราจะทําทได้จนกว่าเราจะต้องคิดต้องทําอะไรแล้วก็หยุดหยุดพุทธโธไปชั่วข่าวแต่ยังสามารถดรูการเคลื่อนไวหวต่างๆของร่างกายได้ไม่ว่าร่างกายทําอะไรให้เราจดจ่ออยู่การทํางานของร่างกายเพีอย่างเดีย ว, ยวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอ เร า, าฝึกอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิเราก็จะสงบได้ง่ายคุณนันทิชาครับปัจจุบันมีข่าวสะเทือนใจเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นการทารุณกรรมเด็กมีความรุนแรงในครอบครัวการทรมานสัตว์เห็นแล้วรู้สึกจิตเศร้าหมองผู้ปฏิบัติธรรมควรวางจิตอย่างไรคะเราก็ต้อเข้าใจว่าจิตนี้ของแต่ละคนมันมีเหมือนมั น, ม, นมัน ต, าตน่างกันมีทั้งจิตที่ดีจิตที่ไม่ดี โลกนีมันก็เป็นที่ที่ประสมประสานของคนดีและคนเชื่อมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีทั้งคนดีคนชั่วก็ต้องยอมรับว่าถ้ามาเกิดในโลกนี้ก็ยังก็ยองต้องเห็นแบบนี้เหมือนกับเราไปดูภาพยนตร์เถ้าเราไปดูภาพยนตร์ที่มีการฆ่าสัตว์ฆ่ากันมันก็จะมีแต่เรื่องฆ่ากันให้เราดูถ้าเราไปดูภาพย น, รรร น, นตนน ร, รน์ที่มีแต่เรื่องตลกแลกะคอนเทนต์เป็นแต่เรื่องหัวเรา ในโลกนี้เราเร า, เราเลือกไม่ได้เพราะเป็นโลกที่มีคนที่มีหลายหลายหลายระดับในในด้านศิลธรรมจิตใจของแต่ละคนมีความสูงต่ำไม่เท่ากันบางคนก็ถือว่าการทำบานนี่เป็นเรื่องปกติของเขาที่เะเป็นสัตว์ชาติทยายางพวกสัตว์เนราชาเนี่ยแล้วพวกก็อยากที่ ให้ความเมตตาต่อกันทุกข์นี่ก็เป็นสัตว์ชา้อตยาครับโวกเทพที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์พลกในราชาที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีนิสยัรรยเหมนสัตว์ในราชาโลกที่ลงมาลงมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะมีนิสัยของเทพทติดตัวมาด้วย ม, มันก็มีปนกันเราก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็ล่อยวาด คุณวรัชยาครับจิตกับกายหยาบแยกกันได้ชัดเจนแบบไหนคะแบบนั่งสมาธินั่งสมาธิหลัตาทำจิตให้สงบเม่อจิตสมมงบแล้วจิตก็จะแย ก, กออกจากร่างกายคุณสิริครับ หนูขออุบายตื่นเช้าไปตักบาตรหน่อยครับเมื่อก่อนศรัทธา ม, มากต้องลุกทํากับข้าวเองขยันมากแต่ตอนนี้คือขี้เกียจลุกไม่ไหวบางทีตั้งใจซื้อของไว้ตอนกลางคืนพอเช้าก็ไม่ลุกมาครับตัวเองยังไงดีครับอสบายง่ายมีคนกราบทํางานให้เราไว้เรามีเงินทํานั่นเองอย่างมีแม่ค้าทำกับข้าวที่ว่าอำเภอเนี้ทีนี้ญาตยมใช้การโทรสั่งจองล่วงหน้ากับพวกนี้โทรอา ห, หารพระให้ทานอย่างนี้ แล้วก็โอนเงินไปก็เสร็นะนี่คุณนอนสบายนอนให้สบายเลยคุยก็ได้ทำบุญไหมกับคุณมาใส่บาตรเองเลยอย่างนี้ใชไมครับยุคดิจิทัลยุคออนไลน์ยุคเดลิเวอรี่ก็เรียกตักบาทรเดลิเวอรี่บางทีเราไปยืนับบาตรเนื่อยับฐานอาหารของทาหยมเหนื่อยบางีหันเกือบยี่สิบฐานแล้วต้องไปขอรับคนเดียว ทุกคนอยากได้เะคนท anyway. ี่เขาทำบุญเขาไม่ได้มาแเขาเขาเขาโทรจองสั่งนมหน้าไว้ก่อนนะพรุ่นี้วันพระเอาอาหารทําอาหารในถานหนึ่งนะแล้วก็โอนเงินไปให้แม่ค้าที่เขาทําอข้าวให้ท่านนั่นก็จบแล้วตอนที่เขาถวายเขาก็จะถ่ายรูปส่งมาให้เราดูทางไลน์ด้วยพระอาจารย์และมหาธิโยเอบริจาคก็นะครับ บุญบ <c oughs> ดีลิเวอรีร่ครับอาจครับคุณแต้มสีครับบอกตอนจะตายตั้งใจว่าจะกำหนดลมหายใจพุโทโธเพราะจิตเริ่มคุ้นค่ะแต่ถ้าเราข้อที่หนึ่งเจ็บปวดมากจากโรคหรือเจ็บจากอุบัติเหตุจะเกิดผลยังไงครับเราก็ต้องฝึกตอนที่เราเจ็บปวดด้วยเวลาเรานั่งเาเจ็บปวดเราก็เราก็ต้องหัดฝืนพุโทโธพุทโธไปทำการความเจ็บปวดของร่างกาย แล้วก็นั่งให้เจ็บแล้วอย่าพึ่งลุกอย่าขยับอย่าให้ความเจ็บหายไปแล้วบังคับให้เราต้องพูดโทพูดโธ้ระหว่างที่เกิดอาการเจ็บของร่างกายอยู่ซิว่าเราจะทําได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราทําได้อย่างต่อเ น, นื่องจนใจสมบเราก็จะผ่านความเจ็บได้ความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจเราอันนี้ก็เป็นการฝึกอีกระดับหนึง่งถึงในขณะที่ร่างกายเจ็บ ข้อที่สองบอกว่าถ้าเราหลับไปเฉยๆแล้วตายจะเกิดผลยังไงครับมันจะตายแบบไรนก็เหมือนกันนะตายตายหลับตายหรือตายตอนไม่หลับตายมันก็ตายเหมือนกันผลก็เหมือนกันเพราะวิบากที่เราทามาไอ้ผลผลที่จะทำให้เกิดวิบากนี้เหตุที่ทำให้เกิดวิบากเราทำมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นบารคที่เราทำมันอยู่ทุกวันนี้เป็นตัวที่กำหนดผลที่เราจะตายเราจะไปเกิดยางไรจะเป็นได้รับผลอะไรบา ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีตายตายแบบไหนไม่ไม่ไม่เป็นตัวที่จะไปกาหนดว่าเราจะไปตายแล้วเราจะเราจะเป็นยังไงมันอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทำมาทุกวันเนี่ยนะเป็นตัวที่จะกาหนดว่าเราจะไปเกิดในอบาบหรือจะไปเกิดในสวรรค์หรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คุณคาร์มิโอครับ อาจารย์เจ้าคะหากเดินตรงกลมสองชั่วโมงและนั่งสมาธิเพียงสามสิบนาทีจะผิดไหมคะหรือหากเน้นเดินอย่างเดียวแต่นั่งน้อยกว่าเดินจงกรมจะผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดเรากพิงแต่ ว, ว่าในที่สุดเราจะถ้าเราต้องการความสงบเต็มที่เราก็ต้องนั่งการเดินนี้มันก็เป็นการฝึกสติไปให้เราใจเรามีสติมากขึ้นเพื่อที่เราเวลานั่งจะได้นั่งได้นานขึ้นและสงบได้มากขึ้นแต่ถ้าเรานั่งได้พิงเท่านี้ก็ไม่เป็นไรก็นั่งอย่างนี้ไปก่อน แล้วก็เดินไปก่อนฝึกไปก่อนฝึกเดินไปก่อนแล้วต่อไปไม่ช้าก็เหลือสักวันหนึ่งเราก็จะนั่งได้นานขึ้นคุณประชาครับนักการเมืองที่ทำป้านโยบายที่เป็นไปไม่ได้ขายฝันจะเรียกว่าเป็นมุตสาไหมครับอันนี้ต้องไปถามผู้คุ้มครองบอวิร์กดูว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าใช่ไหมก็มีก็มีองค์งงกรที่ควบคุมการโฆษณาใช่ไ อารโฆ ษ, ษณาเชิญชวนเ ช, ชื่อหรือเาไมเข้าไม่มาตรวจสอบพวกนักการเมืองกันก็ไม่รู้นะด <c oughs> ้วยกลัวจะถูกไล่ออก <นะ S 1> พวกนักการเงินกลับมามีอยอมหน้า ค, คุณนราธิปรายงานผลนะครับบอกว่าเมื่อวานไปฟังธรรมจากพระอาจารย์และถวายของรู้สึกปิติและน้อนามนําธรรมะที่พระอาจารย์ได้เมตตาได้สอนมาปฏิบัตินะครับอ่าสาธุ คุณดรพัทครับหากเรายอมสละอวัยวะที่สําคัญให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เราต้องตายซึ่งเราไม่กลัวตายเป็นสิ่งที่ Fi, ควรกระทําไหมครับก็ทําได้ก็เป็นเรื่องของการเอาชิตชีวิตของเราเพื่อพลีชีพเพื่อเพื่อตอบแทนพระกรุณของบิดามารดาอย่างนี้ก็อย่างที่พระเจ้าบอกว่าให้สละอวัยวะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ สาระอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สาระชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าเราคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราอยากจะใช้ร่างกายนี้ไปทําประโยชน์ให้กับกรรมปีนาบารดาของเรานี้ก็ทําทได้ไมันถึงไม่ได้ถือว่าเป็นการฆ่าตัว ต, วตยายในความรู้สึกของเราเป็นการบริจาคอวัยวะแล้วเมื่อเราบริจาคอวัยวะไปเราอยู่ไม่ได้แเรวก็ตายไปด้วย อันดี้ตาอันี่มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีคนคัดคิดขัดแย้งกันได้นะซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ว่าไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ว่านเราก็เพียงพูดไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าได้ ส, งส่งแสดงไว้แต่ไม่รู้มันจะเข้าหลักธรรมนี้หรือเปล่าที่ท่านบอกให้ฉลาดฉลาดชีวิตเพื่อรักษาธรรมขอบาอกคารับพระอาจารย์โดยทั่วไปถ้าถ้าหมอจะทำผ่าตัด ให้เนี่ยเขาถ้าคนให้จะต้องตายโดยที่ไม่ได้มีสมองตายมาก่อนเขาทําอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วครับรไม่ได้ลเลยนะใชครับเพราะทางโมก็ยังถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายอยู่เป็นการทํากเป็นการฆ่ากันอยู่ยั น, นอธิการจะถือว่าสุดตรตงมันก็ได้สําหรับการการลอยจาก คุณทิ้งครับข้างบ้านกันแกล้งหาเรื่องมาสามปีเคยถามท่านพระอาจารย์พระอาจารย์สอนให้ให้อภัยอย่าเอาคืนผมสารภาพผมยังค้านในใจสองอาทิตย์ก่อนผมเดินไปบอกขออภัยเขาผมอาจพลาดไปทําอะไรไม่ดีไปทุกวันนี้ทุกอย่างดีขึ้นครับกับรายงานพระอาจารย์ครับครับดีลยวนะเราจะเอาเอาไม้อ่อนเข้าหากันดีกว่ายอมหยุดเ ย, ย็นยอมแพ้ไม่ต่อสู้หยุดต่อสื้แล้ว ใ, ใจเราก็จะเยน็น ถึงมเขาจะไม่ให้อาภัยเราก็าไม่เป็นไรอย่างว่าใจเราสลายขึ้นเพราะเราจะไม่ไปตอบโต้คุณพัชรินครับขอโอกาสเจ้าค่ะเวลาที่จิตมีความเศร้าหมองควรพิจารณารมข้อใดเจ้าคะควรจะหยุดคิดก่อนอย่างรู้แบบพิจารณาควรจะหยุยดคิดโดยการใช้สติท่อมบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปส่วดมนไปนั่งทําสมาธิไปมันจะง่ายกว่าการที่เราจะมา คิดด้วยปัญญาว่าเรายังไม่มีความปัญญาพอที่จะคิดที่จะทำให้เราหายเศร้าหมดได้งั้นนอกจากถ้าเราเราสามารถคิดได้ก็ให้ไปคิดหาสาเหตุของความเศร้าหมงว่าเกิดจากอะไรซึ่งทำหลักทาแล้วมันก็เกิดจากความอยากอยากได้อะไรสักอย่า ง, งพอเราไม่ได้เราก็เลยเศร้าถ้าเราอยากหายเศร้าเราก็หยุดความอยากนั่นเสียเช่นอยากได้งานทําแล้วก็ไม่มีงานทํามันก็เศร้าไม่สามารถงานที่ไหน ก็ไม่ได้งานทันทีมันก็เลยทำให้เศร้าได้วิธีที่ทําให้เราไม่เศร้าก็คืออเมื่อสมัครงานไม่ได้ก็ไม่ทำแหมทางานไปปฏิบัติทําแทนเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าที่ใหม่เปลี่ยนเป้าที่ใหม่แล้วก็หาแล้วก็เอาเวลาไปปฏิบัติทําแทนไปอยวัดไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติทําแทนอันนี้เราเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าคิดด้วยปัญญาไม่ได้ไม่รู้ว่าสาเหตุของความเศร้าเราเกิดจากอะไรก้นหาไม่เจอ อันเราก็ใช้หยุดหยุดความคิดก่อนหนึ่งก่อนวตัวความคิด เ, เป็นตัวที่ผลิตความอยากขึ้นมาในใจเราอทีหนึ่พอเราหยุดความคิดได้ความอยากที่เกิดจากความคิดก็จะหยุดไปชั่วคราวใจก็จะหายเศร้าชั่วคราวถ้าพอมันกลับมาคิดใหม่แล้วทําให้เศร้าอีกเราก็กลับมัเราก็มาหยุดมันอีกทำสมาธิไปเรื่อยๆก่อนจนวันหนึ่งเราจะเห็นว่าอโอ้ที่เราเศร้าเพราะเราอยากได้นึ่งได้นี่พอเราไม่ได้อยากได้นู่งได้นี่เราก็หายเศร้า ก็เลยอาจจะมาเปลี่ยนมาแก้ที่ตัวปัญหาเพิ่แก้ที่ความอยากหยุดความอยากนั้นให้ได้พอหยุดความอยากนั้นไนดะ้แล้วก็ใจก็จะหายเศร้าไปตลอดคุณการนาครับอยากเปลี่ยนคนที่มีความคิดอคติต้องทําอย่างไรดีครับพระอาจารย์ต้องเปลี่ยนเราก่อนนะเราเปลี่ยนเรได้หรือเปล่าอคติที่เรามีอยู่นี้เราเปลี่ยนเราได้ไหม เรายังดื่มชโรลาหรือเปล่าเราเรายังเล่นการพนันหรือเปล่าเรายังเที่ยวหรือเปล่าเปลี่ยนตัวเราให้ได้ก่อนเถอดก่อนที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นอีกอย่างหนึ่งไปเปลี่ยนก็หนึ่งถ้าเข้าม่ไนุญาตก็เปลี่ยนก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องให้ความอนุญาตแล้วข้ายินดีหรือข้าขอมาขอความช่วยเหลือจากเราว่าช่วยเปลี่ยนช่วยช่วยเปลี่ยนให้ผมหน่อยแต่ผมเปลี่ยนเองไม่ได้แม่แต่พระพุทธเจ้ายังเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เลย เพลงแต่สอนบอกเขาได้ทั้งนั้นว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนอย่างองคุลีมาเนี่ยเป็นฆ่าคนแล้วคิดว่าจะบรรลุธรรมจากการฆ่าคนพอเจอพระพุทธเจ้าผู้เจ้าก็บอกว่าต้องเปลี่ยนวิธีการฆ่าเปลี่ยนบุคนที่เราจะฆ่าอย่ไปฆ่าคนไปฆ่ากิเลสแทนพอบอกเขาเขาเข้าใจเขาก็เลยหยุดฆ่าคนแล้วเอาไปฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสหมดเขาก็เลยเป็นพระ คุณวรัตยาครับการพิจารณาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพิจารณาตรงไหนครับก็ในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นะครับทรัพย์สมบัติข้าของนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เทียมวันใดวันหนึ่งก็จะล้่งมีวันสิ้นสุดมีการพัดพาจากกันยศตำแหน่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็ไม่เทียมแล้วก็ความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่เทียม วันในวันหนคนนั้นคนนี้ก็อันต จ, จากออกไปนี่ไม่เทีย่ยงเปน็นอนัตตาเราห้ามไม่ได้เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้คุณโมริครับตีห้าโดนผีอัมลุกขึ้นสวดมนต์อยู่ๆไฟเปิดเองเจ้าค่ะเขามาขอส่วนบุญใช่ไหมเจ้าคะที่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเขาไม่มารบกวนเจ้าค่ะมัน ไ, ไม่ได้หรอดีๆผีมันจะมาเปิดไฟให้กับเรา อาจจะมีคนในบ้านเรามามาแกล้งหลอกเรามากกว่ามากมากอย่าไปคิดในสิ่งที่มันเป็นนะไม่ได้คิดไปนในทางที่มันเป็นไปนได้จะดีกว่ามันต้องเป็นคนมาเปิดอยู่ดีๆผีมันมาเปิดไม่ได้หรอกสวิงไฟคุณแพทครับเราจะก้าวข้ามเวทนาจากการเจ็บป่วยได้อย่างไรคะและคิดถึงความตายอย่างไรไม่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้ในชีต ว่าไม่ช้าก็ตายแล้วจะทำอะไรไปเพื่ออะไรคะก็นั่นแหละก็ต้องฝึกทำใจให้สงบนะเนี่ยฝึกสมาธิบ่อยๆจนทำงานพอเกิดการเจ็บป่วยก็ทำใจให้สงบพอจะเวลาใกล้าตายก็ทำใจใสงบแล้วเราก็จะตายอย่างสงบเจ็บอย่างเจ็บอย่างสงบไม่ไม่ทุกขกับความเจ็บความตายคุณทวีวัตรครับ กราบถามพระอาจารย์ครับการกรตันยูคืออะไรครับกับผมช่วยพ่อแม่ได้อาิติธรรมพันแต่พ่อแม่เป็นหนี้เดือนละหมื่นห้ากับผมไม่สามารถช่วยได้หมดแบบนี้ผมกระตันยูไหมครับไม่หรอกเราก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ตามกำลังของเราคุณสุ ร, รังคนาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกนั่งสมาธิจิตนิ่งไปตอนไหนไม่รู้ค่ะ รู้อีกทีความรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ใช่เราเห็นดวงจิตกลมๆอยู่ตรงอกและเห็นนิมิตเปรดไก่กระรอกคืออะไรเจ้าคะก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงจิตจิตยังไม่สงบะถ้าจิตสงบแล้วมันจะนิ่งมันจะว่าไม่มีอะไรให้ให้ให้เห็นให้รู้คุณหมวยจังครับบอกว่าแมวที่รักเพิ่งตายควรวางใจอย่างไรเจ้าค่ะคิดถึงมากค่ะ คนลืมมันเสียมันผ่านไปแล้วที่ว่าเป็นเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้เรานอนหลับเราฝันเรื่องนั้นเร่องีพอเราตื่นขึ้นมาเรื่องนาด้านมันก็หายไปหมดแล้วมองทุกอย่างที่เป็นอดีตว่าเป็นเหมือนความฝันอย่าไปคิดถึงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราไม่สามารถเอาความฝันนั้นกลับมาให้มันอยู่กับเราในปัจจุบันนี้ได้แล้วมันไปแล้วมันผ่านไปแล้ว คุณพักครับบอกว่าตั้งแต่ติดตามคุณหมอและพระอาจารย์ตื่นเช้าตักบาตรเกือบทุกวันและนั่งสมาธิเสียดายที่เจอช้าไปหน่อยนะครับไม่ช้าหรอกไม่ต้องไม่ต้องเสียดายขอให้ได้เจอนะครัน่าพยายามตัดดวงประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณทิพยประยพรครับพระอาจารย์ครัสอบถามถ้าเราฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วแสดงว่าเขาต้องการให้เราทําบุญไปให้ใช่ไหมครับ ไม่แน่นอนแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเราคิดถึงเขาเองก็ได้เราคิดถึงเราเราก็ฝันไปถึงเขาถ้าเขามาหาเราเยินๆเราต้องคุยกันได้ต้อถามว่าถามชาวบ้ทุกสุนเด็บว่าเดือดร้อนหระอเปล่าต้องการความช่วยหลืออะไรหรือเปล่าถ้าเขา้ามาเข้าฝันแล้วบอกโอ้หเรื่องเกินไม่ค่อยมีข้าวกินเลยช่วยส่งข้าวไปให้หน่อยถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นของจริงก็ได้แต่ก็อาจจะเป็นการปรุงแต่ของเราก็ได้ เราไม่แน่แต่เพื่อคําปลอดภัยแล้วก็ทําบุญที่ไปกันแล้วทุกครั้งที่เราฝันยัคนตายไปเพราะเราไม่รู้หน้ามาเข้ามาจริงหรือไม่แม่งจริงเกิดเป็นจริงเราก็เขาก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เข้ามาเข้าฝันเราแล้คุณนิภาครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการกรตันอยู่ต่อผู้ให้กําเนิดตายไปจะได้ไปที่ดีๆไหมคะ ลูกอธิษฐานชาติมีขอเกิดเป็นชายขอพบกับพระพุทธศาสนาค่ะชาตินี้ลูกต้องตอบแทนดูแลท่านค่ะติดเตียงครับก็การตอบแทนคุณคพ่อแม่ก็เป็นการทําบุญอย่างอันที่ส่งของการทำํำบุญก็จะทําให้เราไปเกิดเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นด้วยกันอยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยถ้าทําเต็มร้อยเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงสุดของชั้นเทพถ้าทําน้อยก็จะนันหลั่นลงมาตาม ตามการกระทบของเราคุณธนภัทรครับบอกว่าผมมีลูกสามคนในวัยซนห้าขวบถึงเก้าขวบใจรักลูกแต่เด็กๆมักจะมาเล่นด้วยและติดตามติดตัวเยอะมากทำให้รู้สึกไม่มีเวลาส่วนตัวและรู้สึกงุดหงิดบ่อยครั้งมีวิธีทำใจอย่างไรครับก็ส่วนหนึ่งก็จะสอนเขาก็ได้เพราะเด็กเขาเป็นเด็กที่ กำลังเติบโตเราก็บอกเขาได้สอนว่าได้วิธีการที่จะมาเล่นกับพ่อก็อาจจะต้องมีเวลาเวล า, เวลาทำเรื่องนี้ฝึกไปสอนไปแล้วต่อไปเขาก็จะได้รู้เวลาว่าเขาควรจะมาเล่นกับเราหรือไม่ถ้าเราไม่สั่สอนก็ไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้แค่นั้นเองเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสอนเวลาที่เขาทาอะไรไม่ถูกเราก็ต้องสอนว่าอยากพึ่งทำอย่างนี้นะ เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำอย่างนี้สอนเขาไปถ้าเราัวแต่ตามใจอย่างเดียวไม่มีการไม่มีการสอนไม่มีการตักเตือนว่ากับเด็กก็จะไม่มีวินยัยไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วว่าเป็นอย่างไรคุณรัชดาครับพระอาจารย์ค้าร่างกายป่วยเป็นปีแล้วแต่คิดว่าอาจจะไม่รอดแต่จิตมันไม่ยอมปล่อยวางกายเลยยังยึดมั่นถือมั่นจะทำอย่างไรดีคะ ก็เพราะมันไม่จันไม่สงบมันราอยยึดอยู่ไม่ยพายาฝึกสติเข้าสมาธิบ่อยถ้าเราเข้าสมาธิเมื่อเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็จะปล่อยวางชั่วคราวได้คุณพิศราครับน้องกาบอโอกาสพระอาจารย์เมตตาในคำถามเจ้าค่ะอยากเรียนถามบางครั้งเหมือนมีความรู้สึกที่ไม่ดีเข้ามาแทรกเวลาสวดมนต์เจ้าค่ะพอกำหนดรู้ก็หายไปไม่ทราบเกิดจากอะไรเจ้าค่ะ อ๋อมันเป็นเรื่องของวิสัยของเราที่เราจะเคยชอบคิดเรื่องราวเหล่านี้มา ก, ก่อนมันก็จะโผล่มาได้แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้มันจะโผล่มาแล้วก็อยากไปสนใจแล้วก็สวดสมงแล้วก็สวดมนต์ของเราต่อไปถ้าเราไม่ไปไตามมันไม่ไปคิดตามมันมันเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเราไปคิดตามมันยก็มันก็อาจะเป็นเรื่องยาวขึ้นมาก็ได้คุณสภาหมหาชนครับ นั่งสมาธิแล้วหลับกับนั่งสมาธิแล้วองค์ภาวนาหายไปเมื่อครบกําหนดตามเวลาแล้วมีสติความต่างการพิจารณาอย่างไรครับนั่งสมาธิแล้วหลับก็เหมือนกับไม่ได้นั่งจนนั่งสมาธิแล้วองค์ภาวนาหายไปอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรองค์ภาวนาหายไปพุโทโธหายไปเลยหรือลมหายใจหายไปถ้ายัางมีสติรู้อยู่ก็ย่างถือว่าเป็นการทําสมาธิอยู่ องภาณาจะหายานะเช่นพุทโธหายไปนมหายไปแต่ใจสติยังมีอยู่ขรอบริบูรณ์รู้สึกตัวว่าตอนนี้ทุกทุกอย่างหายไปเหลือแต่ความว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเข้าสมาธิคุณม a สเตอร์เพลสคับพระอาจารย์ค้าหนูทำบุญจนไม่มีความยินดีในบุญที่ทำแล้วมันแค่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เราก็ให้แล้วเราก็คิดว่าทำไปแล้วก็คือเหมือนสละทิ้งไปเลย มันไม่มีความคิดถึงบุญนั้นเลยแต่เขาชอบพูดกันว่าให้นึกถึงบุญที่ตัวเองทําเอาไว้ให้ออกแต่หนูเฉยมากคิดพอออกบ้างเป็นเรื่องที่ทําไปแต่มันไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรหนูทาแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกถ้าใจเราเฉยก็ใช้ได้ใจเราไม่ไปทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไปสุขกับอะไรเฉยๆไปคุณเอกชัยครับ การยอมทิ้งทุกอย่างที่เรารับผิดชอบอยู่เช่นครอบครัวหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองออกไปปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจะถือว่าเป็นคนอักกตันอยู่ต่อพ่อแม่และเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมครับไม่หรอกว่ามันเป็นการไปกระทำชั่วคราวนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งหน้าที่ของของรูปไปพระพุทธเจ้านี่บอกว่าถึงแม้จะเป็นพระถ้าต้องมีหน้าที่เลี้ยพ่อแม่ท่านค้ำนิย่าให้บิณฑบาตเอาอาหารที่บิณฑบาตเราเลี้ยงพ่อแม่ได้ ยังสามารถทรียกว่แม่ได้ในขณาที่เป็นพระคุณเ ม, มสังครับมีแม่ป่วยติดเตียงมาเจ็ดปีแล้วในใจมักจะอยากให้แม่ตายแม่จะได้หลุดพ้นจากความทรมานเสียทีพอคิดแบบนั้นแล้วก็จะรู้สึกผิดและบาปมากหนูควรวางใจอย่างไรดีครับก็าวางใจเฉยๆแม่จะอยู่ก็อยู่ไปแม่จะอยู่ไม่ไา้ก็ไปก็รับแต่นมก็รับ ม่หน้าที่ของเราที่เราจะประจัดการกับชีวิตทุกท่านเรามีหน้าที่ดูแลท่านรับใช้ท่านก็ทำหน้าที่ของเราไปความคิดแบบนี้อาจจะมาจากกิเลส ข, ของเราที่ไม่อยากจะรับภาระหน้าที่นี้ก็ได้เราก็อยากให้ท่านตายเราเลยแต่ก็อาจจะคกิเลสเป็นฉลาดแล้วมันก็มอแเห็นท่านทารามาแต่ลึกๆลกแล้วมันอาจจะไม่ใช่เพราะท่านทารามาเพราะเราจะทารามาที่จะต้องมาคอยรับใช้ทำเลี้ยงดูท่านมา ก็ ไ, ได้แต่กิเลสมันมันมั น, ม, นมันฉลาดเนี่ยมันจะมาหลอกให้เราคิดอีกว่าเ่อ๋อเราสงสารท่านไม่อยากท่านอยู่นะครับจริงถ้าท่านอยู่เราต้องเป็นภาระเราก็เลยไม่อยากจะรับภาระทนะ่านก็เลยคิดไปไปมุ่งคิดว่าอ๋อท่านทรมานให้ท่านตายดีกว่าอย่างคนสมัยนี้บางทีเวลาสัตว์หรือใครที่รักเป็นอะไรไปก็สงสารให้ก็ทรมานก็เลยฆ่าเขาเสียก็จะได้หมดท่านควาจริงเขาอยากจะปลด พาระที่จะต้องมาคอยดูแลเขามากกว่าคุณวาโฟครับหลังจากจิตเป็นทุก์จากการสูญเสียคุณแม่และพระอาจารย์สอนให้กำหนดจิตด้วยพุโทโธปัจจุบันลูกสัมผัสได้ว่าจิตสงบขึ้นค่ะปัจจุบันลูกบริกรรมพุโทโธตลอดค่ะพุโทโธทำให้จิตสงบและมีสติจริงๆค่ะดีมากพุท ธ, ธานสติเนี่ยพุทโธเพาพุทธานนสติการยสติด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้า คุณอัชลาครับทำบุญ delivery เราจะได้บุญเท่ากับเราไปใส่เองไหมคะได้ได้เหมือนกันใส่บาทน้อยบาทเป็นตัวเองแล้วใา่ให้เขาใส่สให้เราร้อยบาทเราก็ได้บุญร้อยบา ท, ทา ค, าครับคุณสายน้าครับถามหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิโยมไม่หลับตาเพราะถ้าหลับตาเหมือนตัวจะลอยค่ะเป็นเพราะอะไรคะแล้วก็มีแสงวนๆออกตามกายด้วยค่ะออทำไปทา มันมีนความคิดปรุงแต่งของเราท่านั้นเองที่ความจริงตัวเราไม่รอยตัวเราลอยได้ก็ดีมันไม่รอยแล้วเพียงแต่เราคิดเท่เานี้แสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่มากพอที่จะควบคุมความคิดเหล่านี้ได้ดังก็รํานั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปเรืองฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอย่างที่ที่ที่ที่ได้พูดมาทำาห้จใจอยู่ในระดับที่สงบลงมากกว่าเดิม ถ้ไม่คิดปรุงแต่งนั้นตัวลอยแล้วเราค่อยนั่งหลับตาลงต่อไปไม่ได้คุณมาริษาครับจิตของเรามีดวงเดียวเราตายแล้วเหมือนกันกับเราได้ถอดเสื้อผ้าทิ้งแล้วเราไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่เหมือนกับได้เสื้อผ้าใหม่เป็นหลายแสนครั้งหรือนับครั้งไม่ท้วนจริงหรือเปล่าคะใช่ร่างการนี่ถึง เ, เสื้อผ้าที่ใจเรามาสวใส่เป็นเหมนหวอลโคนี้ที่เราเล่น เลนครเล่นล เ, นเ่นโขนกันเราก็มีโขนมาสวมกันแต่ดูแสดงก็ตัวตเก่าเนี่ยแะเก่ า, นกาคนเดิมแต่อาจจะได้เป็นวทบทลงละครที่เขาให้แสดงเป็นบทราชการอีกรองห้ายไปนธนุมาอันนี้ก็เหมือนกันเรามาเกิดแต่ละครเราได้มีร่างกายที่ต่างกันไปน็อาจจะมีหน้าที่มีอะไรต่างกันผ่านกันไปตามตามภาวะที่เราไปเกิด คุณมาตรีครับเคยอยู่บ้านคนเดียวในขณะที่ลูกศิษย์ที่สนิทเสียชีวิตตอนกลางคืนได้ยินเสียงหล่นจากหลังคาดังมากรู้สึกกลัวคิดว่าถูกผีหลอกแน่ แ, นแต่คิดว่าผีคงทําอะไรเราไม่ได้เลยกลายเป็นไม่กลัวอันนี้เรียกว่ามีสติหรือมีปัญญาคะ่ะมีทั้งองอย่างก่อนจะมีปัญญาไนดะ้ก็ต้องมีสติแล้วคิดไปในทางที่ไม่เห็นด้วยผลก่อนถ้าไม่มีสติก็จะตืน่นตระหนกคิดว่ากลัวคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะคิดอะไรได้ ต้องมีสติต้องมีสติรักษาอาจไม่ให้ติดนตนกแล้วก็ใช้ปัญญาคิดตามหลักตามเหตุตามผลทีนี้คุณภูริดาครับหนูไม่เคยไปบวชที่วัดแต่ใช้การบวชที่บ้านด้วยการถือศีลห้าแบบนี้ได้บุญไหมครับได้ครับคือการบวชที่ท้าจริงนี่ต้องถือศีลแปดศีลท่านี้ไม่ถือว่าเป็นการบวชเพราะการบวชนี้เป็นการละเว้นการหาความสุขทางตาผมจะบอกผิดไง ต้องถือสิบแปดตึนแปดถึงเรียกว่าเป็นการดูดได้คุณศักดิ์ระวีครับเวลานั่งสมาธิเห็นหน้าคนสลับเป็นอะไรคะก็ใจเรา ย, ยังไม่ดงใจเราคิดไปคิดมาการเห็นหน้าก็จาความคิดปุ่มแต่งของใจคุณวัชราครับกราบพระอาจารย์ขาดถ้าไปนั่งสมาธิในป่าแล้วยังกังวลเรื่องยุง แต่การมุ้งจะเป็นการไม่ปล่อยวางร่างกายไหมคะหรือมีกิเลสที่อยากสบายไม่ให้ยุ่งกัดอยู่ไหมครับไม่หรอกมันเป็นการป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกพลังศาสตร์กัดต่อยซึ่งเป็นเรื่องปกตินอกจากว่าในบางช่วงที่เราต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเราปล่อยวางร่างกายได้ร้อยเปเซ็นหรือเปล่าช่วงนั้นเราก็อาจจะไม่ใช้มุ้งกัดกะไดร่างกายมันจะถูกอลไรกัดก็ปล่อยมันกัดร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไม่กัดม แต่ถ้าเรายังอยู่ในขั้นต้นอยู่เนี่ยในขั้นของการฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งอยู่เราก็ต้องการที่จะป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับการทําสมาธิของเราเรางดทับการงุมไปก่อนแต่เมื่อถึงขั้นที่เราต้องการพิสูจน์ด้วยปัญญาว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าการนั้งอ่ะจะไม่ไม่การงุมก็ได้อาจารย์ครับ น, นี้ผมก็ที่ทำํำครั้งหลังสุดก็คือไม่กลาง ที่อยู่ในป่าครับอาจารย์ปรากฏว่าปรากฏว่ามันมันทรมานครับอาจารย์เรารู้สึกว่าความสงบมันน้อยน้อยไปกว่าตอนที่กลางอยู่เยอะเลยครับแสดงว่าสติปัญญาเรายังไม่ยังไม่ปล่อยยังไ่ยังไม่ละกินเลยยังไม่ยังไม่เฉยเนี่ยมันยังรู้สึกดิ้นรนหนีอยู่ยังมีคันอยากไม่ให้ไม่ร่างกายถูกทุกกัดถูกอะไรอยครับ ถ้ามันไม่ทรมารถ้ามันเฉยได้แสดงว่ามันปล่อยได้นะมันทำบรรยากาศกัดขัดไปใจนิ่งใจไม่เดือดตอนถ้าทรมานก็แสดงว่ายังทุกอยู่ยังอยากคุณเอกชัยครับการสวดมนต์ก่อนนอนและตอนตื่นนอนทุกวันจะได้บุญไหมครับได้ก็ไม่ครับฝึกสติไปให้สวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิไป คุณคาร์มิโอครับพระอาจารย์เจ้าค้าโยมเดินจงกรมไประยะเวลาหนึ่งในตอนนั้นจิตส่งออกไปคิดว่าใดๆทั้งปวงในโลกมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่ตรงนี้ทุกอย่างก็จะเกิดและเป็นอยู่อย่างนี้และหลังจากนั้นจิตก็สงบลงและไม่ว่าคิดอะไรก็เหมือนจิตถูกตัดให้สงบลงไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าไม่ทราบว่าการเกิดแบบนี้ในขณะที่เดินอยู่นั้นเกิดจากอะไรเจ้าค้าและโยมควรทําอย่างไรต่อไปครับก็เกิดจากการเห็นความเป็นจริง เห็ว่าโลกนี้เป็นอนัตตาเห็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงมันได้เป็นอนัตตาเหมือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโลกนี้คุณนันจังคาบการเรียนพระอาจารย์ค่ะกายภาพหนูขยับได้เฉพาะแขนเจริญสติด้วยการขยับแขนและทําสมาธิหนูนอนสมาธิ ขอความเมตตาสอบถามสภาวธรรมได้ยินหัวใจดังเป็นจังหวะและชีพจรแผ่นหลังเจ้าค่ะไม่ทราบว่าพูดถึงเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรัานเฉลี่ย ด, ด้วยการขยับแขนกรณีการจัดเฉตินี้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องขยับแขนให้ดูลองหายใจแทนจะดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยไ ม, ไม่ไม่ต้องมีใช้แขนขยับให้ดูลอหายใจแทน แต่ถ้าเรามีการเดินเคลื่อนไหวแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเป็นกา ร, ดการจดจิตเวลานอนทําสมาธิก็ให้ดูลงหายใจเข้าออกไปหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปนสนใจกับการได้ยินหัวใจเต้นจนะังหวะอะครับดูเหมือนผู้ถามเป็นคนที่นอนติดเตียงขยับได้เฉพาะแขนครับอาจารย์ครับอ๋อก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูลงหายใจแทนนะครับ เพราะเราหายใจนี่มีการเคลื่อนไหวเลยใช้การบริการพุโทโธพุโทโธไปดีว่าแขนแ้นขาและร่างกายปล่อยมันให้มันอยู่เฉยๆเพราะเราต้องการที่จะทํำให้ใจให้นิ่งใจจะนิ่งได้นะด้านกายต้องนิ่งก่อนคุณวันทิพย์ครับสามีเสียชีวิตแบบกระทันหันแต่ตัวเราทําใจได้เร็วแสดงว่าเราปรองได้ใช่หรือเปล่าคะสวดมนต์ทุกวันทําบุญใส่บาตรอุทิศบุญให้ประจําค่ะ มันก็มีหลายสายเหตุที่เราทําใจได้ถ้าเราเกลียดเขาเราอยากให้เขาไปมันก็มันก็จะทําใจได้ง่ายแต่ถ้าเรารักเขาโหยเขาโหยเข า, ขานี้ก็อ า, าจะทําใจได้ยากก็ได้อันนี้ไม่ไม่ทราบหรือว่าเรามีปัญญาก็ได้ว่าเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนมันก็มีหลายสายเหตุมันไม่ไม่ทราบจะตอบอยังไงก็ตอบอย่างนี้แหละหมายว่าบางทีคนที่เขา เขาตายแล้วเราไม่รู้สึกอะไรหรือเราทําใจได้เลยก็เพราะเราอยากจะให้เขาตายแล้วไม่อยากที่จะอยู่กับเขาอยู่แล้วแล้วมันก็ทําใจได้โล่งออกไปเลยเวลาเขาตายทีแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เรารากเราผล่เราผลนี่ก็ อ, อาจจะทําใจได้ยากแต่ถ้าเรามีปัญญาแเราก็ จ, จะทําใจได้เร็วก็ได้แล่นมันก็มีหลายสายเหตุด้วยกันว่าเราทําใจได้เร็วเพราะอะไรเพราะมีปัญญาหรือเพราะว่าเราอยากจะให้เขาไปอยู่แล้ว คุณเอกชัยครับการปฏิบัติธรรมแบบไหนที่มีอนิสง์ได้บุญมากที่สุดครับรตััดปฏิบัติทั้งสามขั้นตอนต้องทมทานรักษาศีลและภาวนาให้ครบองค์ให้ครบเทีย่ยงคุณประชาครับถ้าตัวเราไม่ติดที่คิดเศร้าแต่ติดที่คิดสุขหันษาแบบนี้ก็ประมาทใช้ชีวิตไม่ดีใช่ไหมครับถึงแม้เราจะคิดสุขมางมั น, ม, น, ม, นมันก็ไม่สุข เวลามันจะเศร้ามันก็จะเศร้าไปมือนักค่าวคิดของเรานี่บางทีเราควบคุมนักข่าไม่ได้เวลามันจะเศร้ามันก็เศร้าไปมาเวลามันจะสุมะสมม ข, ม, ข ม, ม, ส ม, ส ม, มันก็สุขขึ้นมานั่นเลยไม่ทราบว่าวมันเป็นการกา ร, การประมาทก็คือการที่เราไม่มาควบคุมกับมคมิดของเรามากกว่าแล้ว้องฝึกจิตทำให้หยุดคิดให้ได้เมื่อเราหยุดคิดแล้วเราก็จะหยุดคิดเศร้าคิดคิดสุขได้แล้วใจเราก็จะนิ่งเย็นสบาย คุณพรตตเพครับจะทราบได้อย่างไรว่าเราละสักกายทิฐิได้แล้วครับเราไม่เดือวน้อนกับความเป็นความต า, คามยา ค, ครับเจ็บป่วยของร่างกายคุณไอวอรี่ครับการนั่งขัดสมาธิเป็นเวลานานหากรู้สึกเมื่อยสามารถเปลี่ยนเป็นนั่งประเพียบจะผิดหลักไหมคะควรหยุดนั่งก่อนหรือฝืนนั่งเพื่อพิจารณากายอย่างไรดีคะคือการนั่งสมาธิแต่ละครั้งนี่เราไม่ต้องการที่จะขยับนั่งกาย ต้องการจะปล่อยวางร่างกายเพื่อที่เราจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ดังนถ้าเกิดเวลาการเกิดเวลานุ่งเสื้อเมื่อเจ็บเราต้าาองยังอยากจะนั่งต่อเพื่อให้ได้ผลเราก็ต้องเราก็ต้องนั่งต่อแล้วก็พอนาต่อไปดูลงไปรู้พูดโถไปอย่าไปสนใจกับกาอาการเจ็บเมื่อยของร่างกายถ้าเราสามารถพอณนาะทําใจให้สงบได้ ใจนิ่งแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนจากความรู้สึกเจ็บปวดของร่างกายเราก็จะผ่านต่อไปเราก็จะไม่ค่อยกลัวเราจะไม่กลัวความเจ็บปวดของร่างกายเราจะอยู่ความเจ็บปวดของร่างกายได้แต่ถ้าเราคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเื่อเราก็จะต้องต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเถ้าถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วทําให้ความเจ็บปวดให้ความเจ็บปวดหายไปได้มันก็อาจจะทําให้เราทุกข์ได้ อย่า น, นถ้าเราต้องการฝึกเพื่อไม่ให้เราทุกกับความเจ็บปวดของร่างกายเราก็ต้องนั่งไปอย่าไปขยับทาใจให้สงบในขณะที่ร่างกายเจ็บ้าใจสงบในขณะที่ร่างกายเจ็บได้ใจก็จะไม่ทุกกับความเจ็บปวดของรอ่างกายต่อไปจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บปวดเวลาเกิดการเจ็บปวดกันขึ้นมา คุณรังสีครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าพ่อหรือแม่ป่วยโคมา่าหมอบอกว่าท่านอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเราถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพราะเราจะบาปฆ่าพ่อแม่ไหมครับไม่บาปหรอกเราก็เป็นการยุติการรักษาพยาบาลเท่านนี้คุณพาราม า, มาพลอยครับหนูมีปมในใจเวลามีอะไรมาสกิดจิตจะปรุงแต่งตลอดจนเป็นทุกข์หนูควรทําอย่างไรดีคะหนูอยากผ่านเรื่องนี้ไปคะ่ะ หนอไม่ค่ยมีสตินั่เนเองต้องฝึกสติหยุดความคิดเวลาใครกาพูดอะไรก็อย่าไปคิดตามที่เขาพูดไว้เอาคิดเขาปล่ไปก็พูดไปแต่เราไม่ต้องมาคิดปุ่มแตกต่อเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปถ้ามีสติเราก็จะปล่อยได้ปล่อยความการพูดของเขาเราจะไม่เอาความคิดการพูดของเขามาฝังไว้ในใจเราคุณวันสิริครับ การปล่อยวางคือการไม่นึกถึงคนที่ทำไม่ดีกับเราแต่เรายังคงนึกถึงสิ่งที่เขาทำกับเราอยู่เราควรทำอย่างไรคะอย่านี้ไม่ได้ว่าปล่อยวางถ้าปล่อยวางเราจะไม่คิดถึงเขาเลยคุณปิ่นเขียวครับถูกถากถางและถูกดูถูกเพราะไม่มีอะไรไม่มีรถแต่ผ่อนบ้านให้พ่อแม่อยู่และพวกเขาอยู่กันแบบนี้เราควรทำใจอย่างไรเจ้าคะ เราก็ห้ามก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นเหมือนตอบเสียงเสียงฟ้าผ่าก็แล้วกันเสียงใบไม้พัดเสียงลมพัดเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้ใครก็จะดูถูกเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยว่าดูถูกไปขอให้เรารู้จัก ร, รู้ว่าตัวเราทําทําดีหรือไม่ดีแในี้ก็ะบอถ้าเราทําไม่ดีเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้น คุณพี่ปุ้ยครับกลับขอความรู้จากพระอาจารย์คะ่ะคุณแม่เส้นเลือดสมองตีบพิการครึ่งซีกตอนนี้นอนอย่างเดียวเรียกไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่อยากถามว่าถ้าเราคุยสื่อสารเรื่องธรรมะกับแม่คุณแม่จะรับรู้หรือไม่คะถ้ขาขณะที่ท่านไม่เป็นอะไรท่านรับรู้ปะตอนที่ท่านไม่ตอนที่ท่านดีๆอยู่ท่านสนใจธรรมะหรือปะถ้าท่านไม่สนใจในขณะที่ท่านดีๆีอยู่ตอนที่ท่านเจ็บป่วยท่านจะมาสนใจได้ ก็ลองลองดูก็ได้ลองลองก็ไม่มีอะไรเสียหายก็เราเราทำมากมาให้แม่ฟังดูเราแม่มันทำมากไปให้แม่มฟังมแม่จะฟังไหมหรือแม่มอยากจะคุยธรรมะ ก, กันหลวก็ได้นะครับก็ลองทําดูคุณพุทธครับคิดไม่ดีคิดลบเป็นบาปมากไหมครับควรจัดการกับความคิดลบคิดไม่ดีนี้อย่างไรครับ คือการคิดไม่ดีก็ทางธรรมะก็คือคิดไปในทางความโลมความโกรธความหลงเรียกวา่าเป็นความคิดไม่ดีพอคิดไปแล้วมันไปนสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแล้วเราคิดไปในทางดีก็คือคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็จะไม่มีความทุกข์ คุณบุญมีครับการนักชการพระอาจารย์ค่ะการได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์โดยบังเอิญเป็นเพราะเคยได้ฟังธรรมะในอดีตชาติใช่ไหมคะเริ่มได้ฟังธรรมปีสองห้าหกห้าครับอ๋อมันไม่มีไมันมันไม่ชาติสาเหตุมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของของเหตุของของเหตุปัจจัยก็แล้วกันตอนนี้มีโอกาสมีเวลาได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยที่มันพร้อมขึ้นมาแล้วก็ได้ยิน อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอดีตชาติแต่อย่างไรคุณมาริกาครับหนูทำงานเกี่ยวกับการผลิตแอนติบอดีเพื่อนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในกระบวนการต้องฆ่าหนูหนูจะบาปมากไหมคะก็าบาปละฆ่าค่าหนูมันก็เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คุณณลินนิทะนิภาครับหนูทําสมาธิเห็นจิตเกิดดับแล้วพิจรารณาจิตเกิดดับเห็นความว่างคือว่างจากตัวตนค่ะพระอาจารย์ก็เราละการความสงบเวลาเรานั่งสมาธินะไม่เราไม่ละการพิจารณาอะไรแล้วละการเพรเ่งจิตให้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมากกว่าเพราะถ้าพิจารณามันก็จะเป็นเรื่องของค ว, ความคิดของความปัญญาจิตมันก็จะไม่ไม่สงบ ความว่างที่เห็นกด้จะไม่ใช่เป็นความว่างที่แท้จริงเป็ความว่างที่เกิดจากการจินตนาการของจิตไปก็ได้ใน <Okay. S 1> วิธีที่จะเห้ความว่างที่แท้จริงต้องตับจิตให้สงบเงี่ยไม่มีความคิดติดแต่คุณแอมครับเวลานั่งสมาธิแล้วมีปิติทําอย่างไรจะพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกเจ้าคะก็ทําทต่อไปอย่าเพิ่งหยุดถ้าดูลมก็ดูลงต่อไปถ้าพูดถ่อก็พูดถ่อก็ต่อ คุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจครับนั่งภาวนามไม่หลับตาได้ไหมครับได้แต่มันไม่ได้ผลดีถ้าเรการหลับตาเพราะจิตมันจะไม่เข้าสู่ข้างในได้เพราะมันติดอยู่กับรูปที่เราคอยที่เราเ อ, อื้ตาเราอยูแล้วต้องปิดาตาทั้งน้าถ้าเราต้องการให้จิตเข้าสู่ความสงบอย่างแต็มที่คุณปัตถามวดีครับไม่เข้าใจคําว่าจิตเกิดดับเกิดดับเป็นอย่างไรเจ้าคะ คือคำว่าจิตคือจิตเกิดดับก็คืออารมณ์ที่เกิดดับหรือความคิดที่เกิดดับในจิตนั่นเองตัวจิตเองมันไม่ดับเหมือนภาพที่เราเห็นบนจอภาพในขณะนี้นตัวจอมันไม่เกิดมันมันมันไม่ดับจอมันก็อยู่นิ่งๆของมันแต่ภาพที่อยู่ในจอมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เรียกว่าเกิดดับ คุณพีเอ็นครับการละเมิดการพระอาจารย์ดิฉันเพิ่งสูญเสียบุตรไปแบบกระทันหันเช้าทําบุญใส่บาต ท, ทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันผลบุญนี้จะส่งผลถึงบุตรที่เสียชีวิตทันทีไหมเจ้าคะได้ฟังพระอาจารย์เทศตลอดเจ้าคะ่ะทําให้รู้สึกตัวมีสติทําใจและยอมรับกับการสูญเสียกราบอาจารย์เจ้าคะ่ะบุญที่เราใส่บาทเนี่ยเราส่งไปได้แต่บุญที่นั่งสมาธินี้มันยังอาจจะไม่สําเร็จผลเพราะการนั่งสมาธินี้จะเป็นบุญก็ต่อเมื่อมัน จิตมันสงบเป็นสมาธิเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ก็นั่งได้ไม่ไม่ไมห้ามกันเพราะถ้าเราไม่นั่งเลยมันก็จะไม่มีวันที่จะสําเร็จประโยชน์ได้ทุนพินแต่ว่าต้องถือว่าการทําสมาธินี้เป็นการทํำมือแบบแบบปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าที่เจะออกดอกออกผลขึ้นมาแต่การทําบอใส่บาตรนี้เหมือนกับการไปซื้อของ ซื้อผลไ ม, ามา้ที่ซื้อที่ตลาดเนี่ยมันได้ได้ทันทีแล้วก็ส่วนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาจะรับไม่รับก็อยู่ที่สถานภ า, ภาพของจิตใจอีกทีว่าเขาไปอยู่ในสถาภาพไหนถ้าเขาไปอยู่แบบขอทานเขาก็จะรอรับอยู่แต่ถ้าเขาไปอยู่แบบเสร็จีบุญเขาเคยมีบุญติดตัวมาเยอะเวลาไปบุญพาบุญเป็นดูแลเขาเขาก็ไม่ต้องมาขอบุญจากู้อบุญ คุณแต้มสีครับหลวงตามหาบูวเคยบอกว่าติดสมาธิห้าปีเพระคิดว่าสมาธิคือ น, นิพพานแสดงว่าต้องเป็นสมาธิแบบไหนคะเป็นสมาธิที่มีอนุภาพไม่มีความละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นก็ได้คุณมุกดาครับตอนเสียชีวิตจิตออกจากร่างทางไหนเจ้าค้าเคยได้ยินคำว่าลูกหลานเอามือวนจักระให้ออกทางศีรษะครับ อ, อ๋อมันไม่ได้อยู่ในร่างเราจริง มันเพียงแต่ส่งสัญญาณส่งวิญญาณมากกอนที่ตาหูจมูกนิ้วกายนั่นเองเหมือนสายที่เราเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟเวลาที่ร่างกายตายก็เหมือนเราถอดปลั๊กออกจากจากที่เราเสียบนั่นเอจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตเพียงส่งกระแสมาเกอนที่ตาหูจมูกนิ้วกายเรียกว่าวิญญาณฮะวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางเล่ทางจมูกทางกาย อา่ากายตายมันก็เป็นการถอดปลั๊กเหล่านี้ออกถอดสายสายวิญญาณออกจากร่างกายก็เจตก็จะไม่สามารถรับข้อมูล ท, ที่เข้ามาทางล่างทางตาหูจมูกนิ้กวกลางได้นะเพราะตาหูจมูกนิ้การหยุดทํางานแล้วไม่สามารถทําหน้าที่รับรู้สิ่งกินรสได้นะคุณนิรุตครับ เวลาตอนเช้ามืดที่เหมาะสมสำหรับตื่นเพื่อมาทําสวดมนต์นั่งสมาธิตอนนี้กเกษียณแล้วครับเลยพอมีเวลาครับก็เวลาเช้ามืดมันก็ดีอย่างคือหนึ่งร่างกายได้พักผ่อนแล้วจิตก็ได้พักผ่อนด้วยพ อ, อนั่งสมาธิความคิดต่างๆที่มันคัา้างอยู่มันก็จะหายไปจะทํ า, าให้นั่งสมาธิได้ง่ายกว่าสงบได้ง่ายกว่าตอนที่เราทาตอนบกุกคัน เการตอนทำคำในเราอาจจะไปทำนู่นนู่เรื่องนี้มา ม, ม, ม, ม, มีเรื่องคับคั่อยู่ในใจเราในลานั่งสมาธิความคิดแบบนี้ก็อาจจะทํามาลบกวนทําให้ใจสงบได้ยากกว่าฉั้นวิธีตอนที่ทําสมาธิดีที่สุดก็คือตอนที่เดินขึ้นมาตอนเช้าเมืดเนี <c oughs> ่ยดาวก็สถานที่ก็ดีด้วยเพราะทุกคนยังนอนหลับอยู่สิ่งแวดล้อก็ยังอยู่ในความสงบ <c oughs> คุณซาเ ป, ปาครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าจิตของเรามีกําลังและถ้าจิ ต, ตเราไม่มีกําลังต้องทําอย่างไรครับก็เ ร, เราหยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธได้เวลาเราโกรธนะครับพอเราวลภโกรธล้วก็หยุดมันได้เวลาเราเสียใจแล้วก็หยุดความเสียใจได้เวลาเราทุกข์เราก็หยุดความทุกข์ได้แสดงว่าเรา ม, มีกําลังถ้าเราทุกข์แล้วเราหยุดไม่ม ไ, มได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังของ คุณมาติรอนครับตอนนั่งสมาธิแล้วสงบได้ไม่นานพอเริ่มสงบจะรู้สึกปอ ะ, ะคองกลัวจะหลุดจากความสงบทำอย่างไรให้สงบได้นานขึ้นครับก็ก็ให้มีสติทาทาต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูวมต่อไปถ้าเราพุทโธพุทโธต่อไปคุณแก้วครับผมต้องเริ่มฝึกสมาธิยังไงครับผมท่องพุทโธแล้วไม่นิ่งดูลมหายใจก็เหมือนบังคับลมหายใจครับ <c oughs> ก็เราต้องทําต้องต้องต้องฝึกดูดูลมหรือต้องฝึกพุทธโทหรือเฝ้า ด, ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งนั่งนั่งสมาธิเท่านั้นต้องทำตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาเราก็ใช้ท่องพุโทโธพุทธโทไปเรื่อยก็ได้หรือเฝ้า ด, ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้อันนี้เป็นการฝึกสติไปก่อน แล้วพอถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิเราก็ค่อยมาดูลมหายใจแทนหรือพูดโถก็ได้แล้วเราจะทัดเราใจเราก็จะสงบได้คุณธาราครับกลับเรียนถามครับนั่งสมาธิแล้วนอนไม่หลับเป็นเพราะทำพิธีหรือเปล่าเจ้าคะคือการนอนไม่หลับเราจะมีหลายสาเหตุก็ได้อาจาร์เราคิดมากก็ได้ถ้าวันไหนเราคิดมากมันก็จะนอนหลับยาก แต่าเากินน้อยเราก็จะร้อนนอนหลับง่ายหรือถ้าเราไปกินเดือดกาแฟมาก่อนที่เราจะไปนอนมันก็ทําให้นอนหลับยากเหมือนกั น, ม, นมันมันมีหลายสาเหตุด้วยกันต้องต้องวิเคราะห์ดูว่ามั น, มนเราทําอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะมานอนเนี่ยคุณมุกดาครับการคิดดีที่ทําให้ใจเป็นทุกข์เช่นอยากช่วยเหลือคนในะครอบครัวแต่ช่วยไม่ได้อยากไปทําบุญแต่ไม่พร้อมเศร้าหมองอันนี้เป็นอกุศลใช่ไหมเจ้าคะ ก็เป็นความเิดของแบบกิเลสเนี่ยคิดอยากจะทําแต่ทําไม่ได้นั้นเราก็ต้องหยุดความอยากทําในสิ่งที่เราทําได้อยากในสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เรายังทําไม่ได้เราก็ต้องวางไว้ก่อนคุณสํารวยครับจิตที่เป็นเหมือนลิงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสติตามไม่ทันอารมณ์แล้วเกิดความทุกข์จะทําอย่างไรให้จิตที่เป็นเหมือนลิงให้เชื่องลงครับ ก็ต้องหยุดความคิดเนี่ยด้วยการเจริญสติมันคึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับพุทโธพุทโธพอลืมตายเมื่อนานก็พุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปอยากคิดถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่ยังไมนต้องคิดก็หยุดพุทโธไว้ชั่วข้ามก็ได้แต่พอคิดนเรื่องที่ยังเป็นต้องคิดเสร็จแล้วเราก็อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่อยไปพอมันอยคิดเรื่อยไปเราก็พุทโธพุทโธอยู่มนพอไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ คุณสุภาพรครับเวลานั่งสมาธิแต่ละช่วงเช้ามืดกลางวันกลางคืนความสงบแต่ละช่วงจะต่างกันใช่ไหมเจ้าคะมันก็มีส่วนแต่ละช่วงแต่ละเวลานี้มันอาจจะมีมีปัจจัยที่ทำให้สงบไ่าสงบยากต่างกันอีกอย่างก็มันขึ้นอยู่กับสติของเราด้วย ถ้าสติของเรามันขึ้นๆลงๆมันก็อาจจะมีมีผลที้ทําให้การผลิตขการนั่งแต่ละช่วงนี้ไม่ไม่เหมือนกันก็นได้มันก็ต้องมี ม, มีมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เรานั่งสมาธิอยู่ปัจจัยภายในก็คือสติของเรากับความคิดของเรา คุณแก้วครับอยากทราบจริงๆครับพระอารหันยุคสมัยนี้มีใช่ไหมครับก็ที่คนที่ตายไปแล้วก็มีกระดูกที่ท่านกลายกลายเป็นพระธาตุอะไราเป็นพระอะส่วนที่เป็นนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ไปไปติดตามไปไปศึกษาดูเอาเองเพราะไม่มีใครจะบอกใครได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นเอง อาจารย์ครับตอนนี้คําถามวันนี้ตอบได้หมดครบทุกคําถามเลยครับอาจารย์ครับ okay, อ๋อมีมีคําถามนึงมาพอดีครับอาจารย์ครับคุณสุขทุกอยู่ที่ใจบอกว่าปฏิบัติมานานเหมือนไม่ก้าวหน้าควรวางใจอย่างไรครับก็ทําต่อไปว่าอาจจะทําไม่ไม่ไม่ถูกทําทำไม่ไม่ไม่มากพอมันก็ยังไม่ก้าวหนะ้าลองลองทําให้มากขึ้นอยู่ทําให้เพิ่มมากขึ้นแล้วตรวจเช็กดู ว, ว่าเราทำถูกหลักหรือเปล่า การปฏิบัตินี้ก็สิ่งแกที่เราต้องการก็คือหยุดขับคิดให้ได้ฝึกสติให้ได้ก่อนเราทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าคุณยูดีครับเรียนถามครับช่วงกลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองทำไมถึงยังได้ยินเสียงผู้หญิงสวดมนต์ในห้องพร ะ, ะบ่อยๆเลยครับพอตั้งใจจะฟังเสียงก็เงียบผมบ้าหรือเปล่าครับก็ไม่รู้แหละบางทีจิตของเราอาจจะขึ้นตกแตกไปเองก็ได้ สิ่งที่ควรจะทําก็คือพิจารณาว่าเป็นตายลักไปทันดีที่สุดได้ยินเสียงอะไรก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นเสียงธรรมชาติไปที่เกิดแล้วดับไปตามภาวะของเขาเราไม่มีอํานาจที่จะไปควบคุมบัมงคับเขาได้ถ้าได้ยินก็ให้สักแต่ ว, ว่าได้ยินไปอย่าไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นนู่นเป็นนี่พิจารณาว่าเป็นตายลักว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป พอดีเวลาเป๊ะเลครับอาจารย์ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับวันนี้มีเพื่อนๆนฟังอยู่ในเฟซบุ o กหกร้อยห้าสิบคนในยู u ูบเจ็ดร้อยสามสิบห้าคนในครับเฮาส์ิบห้าคนวันนี้มีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนฟังทําด้วยกันหนึ่งพันสี่ร้อยคนครับพรอาจารย์ครับยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังเทศฟําธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็ น, น้อยและนําออกไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไปการสนทนาธรรมสมบัติ ค, รครืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรเก็วเวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิสาธุก็ขอลาคุณบอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้แล้วถ้าไม่มีเหตุรัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรขอขอบพระคุณพายครับ